อาจารย์ครับการนวัศการครับผมเดินพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดวิสัชนาธรรมครั้งที่134แล้วครับพระอาจารย์ครับกับถามพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เมื่อเช้าใส่บาทเยอะไหมครับผมสี่ร้อยพอดีเลยโอ้สี่ร้อยพอดีวันนี้สามร้อยแปดสิบสี่ร้อยครับผม วันนี้ก็ไม่ใช่วันพระใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไม่ใช่วันพระวันพระวันทอ่รตรงกับวันพุธนอ๋อครับผมพระอาจารย์ครับเนื่องจากว่าในสังคมตอนนี้ผมเห็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธที่ดูฟังดูแปลกๆหลายๆตอนหลายอย่างนะครับแล้วก็มีคนที่มีความเชื่อประมาณนั้นด้วยวันนี้ก็เลยอยากจะขอสัมมาทิฏฐิจากพระอาจารย์ครับว่าที่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาเราสอนเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับกับความเมตตาครับ ปัญหาของชาวพวทเราทั้งวันนี้ก็คือไม่สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ศาสนาของตนว่าเป็นอะไรสอนอย่างไรให้ปฏิบัติอย่างไรก็เลยถูกความมัวมายของแต่ละคนเข้ามาเป็นให้ข้อมูลแทนแล้วก็เลยเชื่อกันไปเชื่อกันมาซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของาศาสนาเลยเช่นเรื่องของการอธิษฐาน ข, อ น, ขอนนี้ ไม่ได้เป็นเรื่องของคําสอนเลยเจ้าจันต้องการอะไรก็ต้องกิจากการกระทําของเราก็คือกฎแห่งกรรมนะถ้าเราทําแล้วทําเป็นเหตุการกระทาเป็นเหตุผลก็คือสิ่งที่เราอยากได้ความสุขแลอความเจริญความทุกข์และความเสื่อมมันกิดจากการกระทําของเราเองแต่เราไม่ศึกษาเป็นก็เลยไม่เชื่อ เรื่องราวต่างๆที่เชื่อกันอยู่ในวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทววัตถุต่างๆสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาแล้วเบ้าพระพทรูปก็สามารถดนบันดาลสิ่งต่างๆได้ทั้งที่พระพุทธรูปก็เป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะครับคนสร้างพุทธรูปแล้วให้พระุทธรูปมาดนบันดาลให้คนสร้างที่เป็นคนศักดิ์สิทธิ์เป็นคนล่าคนรวยอะไรขึ้นมาเป็นไปได้ที่ไหน ถ้าเราเช็คที่ได้หลักตา ก, กาลรพระพุทธรูกก็เหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งนะที่เขาผลิตขึ้นมาเราขายกันตามท่อตลาดต่างๆแล้วก็มีการทำพิธีกาหลอกเล่นปาหีากันจับภาพมานั่งตาบตาแล้วก็สวดอะไรไปแล้วก็ทำให้เหมือนว่าไปเบิกตาของพระพุทธรูกขึ้นมาเบิกคะแเนี่ย้ก็ ทำให้พระพุทธลูกกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเพราะเอาคนไม่ศักดิ์สิทธิ์มามามาสวดมาทําให้ศักดิ์สิทธิ์เอาคนที่มีแต่กิเลสตัณหาโมหะวิชามมาสวดกาทําให้พระพุทธลูกกลายเป็นพระพุทธลูกแทนพระพุทธเจ้าขึ้นมามันเนี่เป็นเรื่องของความหลง ไม่มไม่มีการศึกษากันอย่างจริงจังน้อยมากคนชาวพุทธเราที่ให้การศึกษากันศึกษาคําสอนศึกษาประวัติความเป็นไปเป็นมาของพระพุทธศาสนาความเป็นมาได้อย่างไรทําประโยชน์ให้กับโลกได้อย่างไรทํางๆเหล่านี้ถ้าไม่ศึกษาก็มไม่รูเรื่องราเหล่านี้ <c oughs> ก็จะถูก อาจจะเป็นการเลือเชื่อกันตามมาการมันการมันทำมันเยงการเป็นพิธีที่ไม่มีใครกล้าขาดกล้าเผืน <Okay. S 1> ะอเชื่อกันมาทำกันมาซึ่งส่วนใหญ่ที่ราพูดเราทำกันนี่มันมันไม่ได้อยู่ในคำสอนของพระเจ้าเลยในมงคน มงคลฐานสิบแปดมันก็ต้องเราไปอ่านดูแล้วกับมงคลที่เราคิดว่าเป็นมงคลเปนยังไงเราคิดว่าวัตถุมงคลมีมีพระพุทธรูปมีเครื่องรางของขลังนี่ถือว่าเป็นทําให้เกิดความเป็นมงคลขึ้นมาไม่มีในในในในพระสูตรมงคลฐานสิบแปดนั่นหมายว่าเธอจงสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเธอจงไปหาพระพุทธรูปมาคล้องค อ, งองมามาไหวามากราบมาไหวนั่นจะเป็นมงคลใหญ่ที่ ไม่เป็นหรอกของไ ม, ไม่มีอะไรอยู่ในมงคลละซะมงคลละสะมมามสิบแปดนี่ไม่มีว่าถึงาวนแม้เ ร, เราจะทำอะไรพิธีแล้วมาพระมามามาเจอมารด น, น, น้ํามนต์อย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งเครื่องบินใหม่ก็ยังต้องเอาพระไปเจอถ้าปม่เจิเนั้นเดี๋ยวกลัวจะตกหรือไงไม่ทราบเพอมีพระไปเจอิอแล้วก็ปลอดภัย นี่มันเป็นเรื่องของความเชื่อมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นมุมคลอย่างที่คิดกันนะอันนี้จะขออภัยท่านผูู้ฟังถ้าเกิดมนความเชื่อเหล่านี้ยเราก็ไม่ได้ลบหบูร์นะแต่เราก็พูดตามหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าเนะียกตัวอย่างให้ให้เห็นญาติบอกอยากจะมีความเป็นมุมคลก็ให้กราบไปกราบสัมม ะ, ะการเห็นสัมมะเป็นมุมคลอย่างยิ่ง สมณะก็คือพระ อ, อริยสี่ระดับเนี่ยสมณะพระอสศดาบันพระสกิทาคามีพระ อ, อนาคามีพออาระอรหันต์นั่นแหะคือพระเท่าที่เราไปกลกราบไหว้แล้วก็ไม่ใช่กราบเฉยๆกราบก็ต้องไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปศึกษาไปเดีนไปเรียความรู้จักท่านนัดถึงจะเป็นมงคลการฟังธรรมอยากสมาัมมณะเป็นมงคลอย่างยิ่ง การสมถ น, นาธรรมกับสั ม, มันะพระอริยะนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งอันนี้มีอยู่ในมงคลประสุดยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อกี้จะให้พูดแต่เราก็พูดเลยเถิดมาจะบอกว่าเราเนี่ย อย่างที่เราหลงกันไปหย่อนนี้โดยทั่วไปนะครับอาจารย์แล้วที่แทนแล้วพระพุทธพระพุทธศาสนานี้ตั้งใจจะสอนให้เราอย่างไรครับสอนอะไรให้เราครับอาจารย์ครับก็เพระหมายถึงก็คือสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์นะครับเพราะการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้ต้องมีคนรู้ทางถ้าไม่มีคนรู้ทางก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้และคนที่จะรู้ทางในนานๆจะามาปรากฏขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ชือศผู้ทรงสรงเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายการจาัดการพัดผ้าจากกาันโดยจากการที่ยังต้องไปพบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งหลายก็เลยมีความปรารถนาอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ก็ออกบวชเพื่อไปสั่งหาคําตอบหาก็ไม่มีการรู้วิธีการที่จะดับความทุกข์แบบท้าว อ, อัได้นําได้เฉพาะชั่วคราวครคือให้หลบ เวลาเกิดความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องการแกร่การเจ็บ ก, การตายการสูญเสียอะไรก็ให้ไปเข้าสมาธิาเข้าสมาธิใจสงบใจไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ทําให้ทุกข์ความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้ทุกข์ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่อุจจาระไน่อยต้องหาวิธีหาทาง ว่าจะดับเปไน็นตอนที่ออกมาจากสมาธิแล้วก็สำคัญเพราะว่ า, วาเวลาอกจากสมาธิมันไปคิดแล้วก็ไปไปหญาบไปญยาบในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นความแก่ความเจ็บความตายนี้ห้า ม, มันไม่ได้หยุดมันไม่ได้พอไปห้ามมันปหย า, ามันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เลยทำให้ทุกข์นั่นเองแล้วสาเหตุที่ทำให้ทุกข์พ่ เพราะ อ, อยากสายที่ไม่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ว่าต้องพึ่งร่างกายในการหาความสุขเกิดมาเพื่อหาความสุขทำตามหูจมูงง ก, mm hmm. กมือกายพราอมาส่งเห็นว่าถ้าอยากจะพ้นจากความทุกข์ก็ต้องเลิความอยากเหล่ า, านี้เลิกการมัน่นหาหรือเ่ิกความสุขบางคนก็อยากอยา ห, หาความสุขจากข้าเข้าฌานก็มีรูปฌานหาลูกฌานต้องหยุดความอยากเหล่ า, านี้ ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวความสุขทางกายเป็นชั่วคราวความสุขทางสมาธิการรู้ประชานหรือวรู้ประชานก็เป็นความสุขชั่วคราวพอเวลามันไม่มีมันก็ทําให้ใจทุกได้ต้องต้องหยุดความอยากถ้าหยุดความอยากทั้งหมดนี้ได้แล้วใจก็จะไม่ทุกขกับอะไรใจก็จะมีความสุขเพราะก็จากความสงบนิ่งของใจที่ได้กาจัดความอยาก ในใจให้หมดสิ้นไปแล้วอันนี้แหละคือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาสอนให้ให้เราหยุดพ้นจากความทุกแล้วทรงเห็นว่าเหตุอีสาเหตุอีอย่างหนึ่งที้ทำให้สัตว์โลกใจเราทุกข์กันก็คือการกระทำบาปก็เลยต้องสอนให้เราไม่กระทำบาปก่อนเนี่ยมันง่ายกว่าการที่จะไปหยุดความอยาก ก็เลยสนุปลงที่คำสอนของพระพุทธเจ้าสามหัวข้อใหญ่ๆ ใ, ให้ละการกระทำบาปท่านบวงให้สร้สางบุญสร้างบุศส่ทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระจิตใจให้สะอาดโดยสุดตัดความอยากชำระความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปถ้าทำสามอย่างนี้ได้แล้วใจก็จะพ้นจากความทุกข์อย่างท้าวลไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องมันเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเมื่อไม่เกิดทุกข์ก็ย่อมไม่มีตามมาถ้ายังมีการเกิดอยู่ทุกข์ก็ย่อมีตามมาเพราะความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะตามตามการเกิดมานั่นเองย้อนด้าที่ของชาวพุทธเราคือหน้าบาปศึกษาว่าบาปคืออะไรทําบุญทํานญเพื่อจะทํำให้ใจเรามีความสุขแเราก็ให้เราชำระใจด้วยกัน ปฏิบัติภาวนาสมถภาวนาไม่ปัสสนาภาวนาก็คือให้เราทําใจให้สงบเรียกว่าสมถภาวนาแล้วก็สอนใจให้เห็นอริยสัจเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากอย่างในสิ่งที่มันไม่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนจะต้องดับก็อยากไปอยากมันก็ความทุกข์ก็จะหายไป ฟังดูเป็นการทําของเราเองทั้งสิ้ น, นเลยนะครับอาจารย์ใช่ใดจะโดนโทษไหมคนอื่นทำให้เราไม่ได้เรื่องการปฏิบัติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีแต่ทําหน้าที่ในการบอกสอนบอกทางชี้ทางผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้เดินไปเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเดินให้เราไม่ได้มาปฏิบัติให้เราไม่ได้ ขอบพระคุณพระอาจารย์นในความเมตตาครับผมขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนเพื่อนบ้างนะครับพระอาจารย์ครับจากคุณแว่นครับที่สุดแห่งทุกคืออะไรครับพระอาจารยนะ์ะะนที่สุดแห่งทุกครับก็คือการสิ้นทุกมั้งที่สุดแห่งทุกก็คือการสิ้นทุกคือไม่ไมีทุกในใจเราเนี่ก็จะเป็นที่ที่สุดแห่งทุกถ้ายังไม่ทุกอยู่ก็ยัง ยังไม่ถึงที่สุ ด, สดของความทุกข์ที่สุดของความทุกข์ก็คือการลุดพ้นจากความทุกข์และหมดความทุกข์อันนี้พูดตามความเข้าใจของเรานะอาจจะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นก็ได้ไม่ทราบคําว่าที่สุดแห่งทุกข์เป็นยังไงก็เพิ่งได้ยินวันนี้ที่สุดแห่งทุกข์รู้รทุกที่รู้ทุกที่หนักที่สุดนะครับตามที่หนัก มันเคยได้ยินประมาณว่าที่สุดแห่งทุกข์ก็คือหมดทุกข์นะครับอาจารย์ตอนที่เข้าใจมาอย่างนั้นครับ <c oughs> หรือถ้าจะมองอีกที่ทุกข์ที่สุดที่สุดที่หนักที่สุดก็คืออนันตฤยาทุกข์นั่เองทุกข์ที่เกิดจากการทํำบาปฆ า, าประการฆ้าพ่อฆ้าแม่ฆ่าผ้าอรหันทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลื่อนแล้วก็ทําให้สงเกิดความแตกแยกกัน อันนี้ก็จะไปนรกที่ขมที่เล็กที่สุดที่มีความทุกข์มากที่สุดแต่คงไม่ใช่มายความอันนี้มั้งครับแต่ก็ตอบเผื่อไว้ก็แล้วกันเป็นคำรู้เพิ่มเติมคุณกิตตะกรครับเขาบอกว่าเพิ่งมาครั้งแรกสงสัยอยากรบกวนถามพระอาจารย์ครับว่าปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นตรงไหนครับคือมันมีวละที่ ร่างกายจะปฏิสนธิก็คือเริ่มเริ่มกําเนิดนปฏิสนธิเป็นจุดเริ่มกําเนิดของร่างกายมันก็ต้องมีองค์ประกอบสําคัญสามส่วนใช่ไหมส่วนหนึ่งก็ของแม่ส่วนหนึ่งก็ของพ่อในส่วนหนึ่งก็คือของดวงวิญญาณในจิตเนี่ยนั่นก็ถ้ามีสามส่วนนี้มามารวมสังค ก, กรรมกันเมื่อไหร่ก็จะเกิด การปฏิสัมพนทเ่ขึ้นมาทันทีคุณช็อกโก้ครับอยากทราบว่าทำไมคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันมีสวยหล่อจนรวยไม่เหมือนกันครับอ๋อมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันสาเหตุที่คนหล่อรวยคนที่จนรวยอาจจะอยู่ที่ว่าขยันไม่ขยันฉลาดหรือไม่ขยันฉลาดหร้อไม่ฉลาดเนี่ย อีกอันนึงก็จะบอกว่าเป็นโชคก็ได้บางคนโชคดีบางคนโชคไม่ดีบางทีโชคดีถึงแม้จะโม่ถึงแม้จะไม่ฉลาดถึงแม้จะไม่ขยันแต่ก็รวยได้ีสาเหตุอย่างหนึ่งเขาก็ว่ามาจากบุญบุญกรรมของเทอมตนที่ได้ทํามาในอดีตเช่นเคยทําไว้ก็เหมือนการเอาเงินที่เราทําบุญนี้ไปใส่ในธนาคารบุญพอเรามาเกิดในพรใหม่เงินธนทางการบุญก็จะมาสนับสนุนให้เราอยู่ดีกินดี อยู่ที่ว่าเราทำบุญมากทำบุญน้อยอยันี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์แบบทั่วๆไปวะแต่ก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าบอกเรื่องของกรรมนี่มันเป็นเรื่องอจิตใจที่มันเหนียวความสามารถของเราที่จะไปคาดคะเนได้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่อย่างไรก็พูดด้วยในส่วนส่วนหรอกก็กิดจากการทำบุญ มากน้อยรักษาสีมากน้อยคนทําบุญหน้าตาก็จะผ่องใสผิวพรรณผ่องใสคนทาบาปกกหน้าตาคำ้ำไม่ไม่สวยไม่งามส่วนอาการสามิสองครบไม่ครบนี่ก็อยู่ที่ทําบาปแลืไม่ได้ทําบาปถ้าทาบาป ก, ก็มักจะมีอาการอาการไม่ครบสามิบสองพิกพิการแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บเปลียน แต่โรคภายมันกอาจจะไม่ได้มาจากเรื่องการทำบาปเรื่องของกลับก็ได้มาจะเป็นเรื่องของเรื่องของกรรมที่จากพ่อแม่มากรรมพันธ์ก็ได้เห็นพ่อแม่มีนอกชนิดนี้ลูกก็มักจะมีตามอย่างนี้มันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันแตไม่ต้องไปกังวลเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มีสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันนะปัญหาที่เหมือนกันก็คือเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคน ว่าจะรลยจะโจนจะสวยจะหลอหรือมัมนก็เจอปัญหาอันเดียวกันเอ็งพระพุทธศาสนาให้เราพวกเราที่ปัญหาสําคัญดีวกว่าก็คือปัญหาของการแก้ก า, ารเจ็บการตายว่าจะยุติมันได้อย่างไรก็เป็นเรอที่ยุติที่การเกิดแล้วก็ก็ไปยุติต้นเหตุของการเกิดก็คือปัญหาความอยากคุณชัอโก้ครับ พบหน้าชาติหน้ามีจริงไหมครับเมื่อใจคนนี้นหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปใจเข้าไปอยู่เปลี่ยนที่อยู่ไปมันย้ายบ้านเนี่ยช่วงนี้ยังไม่มีร่างกาย ก, ก็อยู่ในโลกทิพย์ไปก่อนอยู่ในภาคของสวรรค์ไม่อยู่ในภาคของอบายนับแต่บุญแต่บาปที่ทําไว้แล้วหลังจากนั้นก็จะมารอรับร่างกายใหม่มาเกิดใหม่ มันตอนนี้เรามาเกิดใหมน่นี่ชาตินี้ก็เป็นชาติใหม่ของเราชาติก่อนก็เป็นชาติอดีตตชาติของเราไปแต่เราจําไม่ได้กันเราจําไม่ได้อดีตชาติเราเคยเป็นอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรยกเว้นคนบางคนที่มีความจําดีเขา เ, าเล่าเรืองชาติได้ก็มีแต่มีน้อยมากคนที่มีความสามารถอย่างนี้คุณโอ๋ครับนั่งสมาธิทุกวันแต่อยากทราบว่าการนั่งสมาธิจับอยู่กับลมหายใจเข้าออก กับคําว่ากรรมฐานเหมือนกันไหมครับคือคําว่ากรรมฐานก็คือการกระทําการกระทําใจให้ให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งเช่นเราจดจ่อใจให้อยู่กับลมหายใจเขาออกก็เรียกว่าเป็นการกระทํากระทำกรรมฐานอย่างหนึง่งปฏิบัติกรรมฐานอย่างหนึง่งแต่บางทีเราก็มี มีคำจำเพาะของการยุโลมหายใจว่าเป็นอานาปณะสติคือการมีสติรู้อยู่การหายละบายใจเข้าออกถ่าจะพูดแบบว่าเป็นการปฏิบัติรวมๆก็เถอะเพื่อเป็นการปฏิบัติกรรมฐานอย่างหนึง่งแกรรมฐานก็มีสี่สิบชนิดด้วยกันที่เราสามาปฏิบัติำทําใจให้สงบหรือทําให้ใจฉลาดได้คุณมาริษาครับ เรื่องคนยุคสมัยนี้มีวุฒิภาวะและสติปัญญาดีตามไม่ศรัทธาตถาคตและไม่ปฏิบัติธรรมแต่ไปเชื่อเด็กออยากถามเรื่องการเชื่อมจิตในแง่ของพระอาจารย์ครับขอพระอาจารย์เมตตาด้ครับก็ไมีจิต <ใน S 2> เดียวที่เปจิตไปเชื่อมว่าจิตเองไม่ได้จิตสองจิตมาเชื่อมกันไม่ได้ไม่มีปรากฏในในคําสอนพระเจารย์นะก็ไม่มีปรากฏ ใ, ในคาํานะคนนคสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆแต่จิตกับ จิตกับจิตนี้สามารถติดต่อกันได้อย่างนี้มีอยู่อาจจะมาเทโก้วกันนี้ไม่ได้อย่างเราจะไปเข้าไปในจิตของคุณหมอแล้วก็เป็นสั่งการให้คุณหมอคิดอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำไม่ได้แต่สมมติว่าถ้าคุณหมอตายเราตายถ้ามีมีพลังจิตก็อาจจะสามารถติดต่อกันได้นเราตายเป็นคนหนึ่งแล้วหมออยู่ก็สามารถติดต่อกันได้ อย่างแม่ชีแก้ว เ, เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านก็สามารถติดต่อบนดวงวิญญาณได้แม่ชีเก้าก็สามารถติดต่อบดวงวิญญาณได้เกิที่หลวงปู่มั่นตายหลวงปู่มั่นก็มาเข้าสมาธิเข้ามาในจิตมาบอกแม่ชีว่าเราตายแล้วนะไม่ต้องมาเยี่ยมเรานะี่ยเพราะแม่ชีเตรียมตัวจะไปกราบท่านในวันรุ่งขึ้นไนะปก็เจอแต่ซากของเราเราตัวเราไม่อยู่นะเราไม่อยู่แล้ว อันนี้ก็สองจิตติดต่อกันได้มีพระพุทธเจ้าก็ส่งจิตไปสอนธรรมะให้กับพรพุทธบัณฑาในสวรรค์ดวงวิญญาณของพุทธบัณฑาอยู่สวรรค์จิตของพระพุทธเจ้าอยู่ในอยู่ในมนุษย์สโลกแต่สามารถส่งส่งกระแสจิตไปติดต่อกับจิตอีกจิตห น, นนหนึ่งได้ในในภพหนึงได้ คุณไลโก้ครับถ้านั่งภาวนาแล้วจิตไม่รวมควรจะฝืนนั่งภาวนาด้วยท่าขัดสมาธิเพชรทั้งลำมากสุดกี่ชั่วโมงครับที่จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายครับอ๋ออย่าไปกังวลเลยคนทำหรับเราเนี่ยนั่งไม่คระั่งสักสิบห้านาทีก่อนมันต้องกลัวนั่งถ้ารู้จักนั่งรู้จักวิธีรู้จักประมาณมันไม่เป็นอันตรายหรอกแต่ถ้าเราอยู่ดีๆจู่จะเริ่มต้นปับ๊บจะนั่งแปดชั่วโมงเะไนี่มัน เป็นไปบบไม่ได้หรอกหนึ่งร่างกายมันไม่มันไม่เคยนั่งอยู่ในท่า น, นี้มันก็นั่งไม่ได้แต่สำหรับผู้ที่เขาปฏิบัติมานานนี่เขาเขามีการพัฒนาจากน้อยไปหามากเรื่อยๆต่อไปเขาก็นั่งได้นานเองยันตอนนี้เราทำด้ยพยายามนั่งท่าที่เรานั่งไปได้ไปก่อนแนล้วเราพยายามเพิ่มอีกนิดหนึ่งเช่นนั่งได้สิบห้านาทีเราต่อยอีกสักห้านาทีไปแล้วก็ค่อยเพิ่มแล้วค่อยขยับไป แต่จะนั่งได้ไม่ได้มันอยู่ที่สตินะถ้าไม่มีสติแล้วจะนั่งแล้วใจมันฟุ้งซ่านแล้ืมันเดี๋ยวมันก็ทนนั่งไม่ได้แต่ถ้ามีสติแล้วทําให้ใจสงบเมื่อไม่ฟุง้งซ่านมันก็จะนั่งได้นานขึ้นยังต้องมือเน้นฝึกสติก่อนฝสติให้มีสติมากๆเพื่อที่จะได้เวลานั่งใจจะได้สงบเราจะนั่งได้นานมีความสุขสตินี่เราฝึกได้ทุกเวิริยะบท ควบคุมจิตใจของเราไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆบังคับให้มันอยู่กับคําบริกรรมอย่างเดียวหรือให้เข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกยีรยาบทในทุกการกระทําอันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องๆๆนี้เรื่องนี้ถ้ามีสติแบบนี้เวลานั่งมันก็จะนั่งได้นานเองคุณแพรมครับ ปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นตอนทรงชานสี่หรือเข้าชานสี่ถอยหลังมาอุปจาระสมาธิครับเราไม่รู้มอกั น, นส่วนใหญ่ไม่รู้ปฏิภาคนิมิตแปลว่าอะไรนี่ซ้ำปัปต้องขออภัยด้วยนะมีแต่คำมาจากพระไตรปิฎกเท่นั้นมันมาจากการปฏิบัติเนี่ย คุณช็อกโก้ที่ถามเรื่งพบหน้าครับบอกว่าเวลาหนูพูดเรื่องนี้และธรรมะบางคนว่าหนุ่มว่างมงายหัวเลาะทําไมคะสาธุค่ะเพราะเขามองไม่เห็นไงขเขาก็เลยคิดว่าเราบ้ายังเรื่องาบางอย่างเราพูดเราพูดกับคนอื่นไม่ได้ใช่หไหมเราจะรู้หรือว่าเราจะเชื่อเราอาจจะไม่รู้เองแต่เราเชื่อว่ า, ราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ยพูดความจริงแต่คนอื่นได้เขาไม่ได้ศึกษาพระพุท ทำประทังคำสอนเข า, าอาจจะไม่รู้ขเขาบเาคิดว่าเราอาจจะงมงายไปท่านใดคุนไลโคคคับขอวิธีควบคุมจิตใจตัวเองให้นั่งสมาธิได้ตามที่กำหนดไว้แต่ละวันครับก็ อ, อย่างที่เพื่อนพูดเมื่อกี้ให้เจริญสติให้มากก่อนที่เราจะมานั่งในทุกเิรยาบทของการเคลื่อนไหวตัง้งแต่ตื่นจนหลับจะใช้กรรมริการพุโทโธคอย ก, บกับก็ได้ คห้ามใจไม่ให้คิดปรุงแต่งหรือคอยบังคับให้ใจเฝ้าดูการกระทาการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้คุณสิดิออนบอกว่างานศพที่ต่างจังหวัดเจ้าภาพและแขกที่มางานนั่งกินเหล้ากันเสียงดังไม่ให้เกรีิสถานที่วัดและงานเลยค่ะทางพระที่วัดก็เคยขอไว้ว่าอย่าเอาของมึนเมาเข้ามาในเขตทำให้มีปัญหากับชาวบ้านพระท่านก็ไม่รู้จะทำอย่างไรน่าเห็นใจท่านมากค่ะ อถ้าเป็นพระทีพระเป็นถ้าเป็นพระทท่านก็ไม่อยู่แล้วนะท่นจะไปต่อกองกับคนพ่านทำไมอืเมื่อสอนแล้วไม่ฟังก็ไปดีกว่าหน้าที่ของพระมีนหน้าที่สสอนถ้าลังเลไม่ไม่สนใจจะเรียนแล้วจะไปสอนใครนะก็ไปดีกว่าที่เป็นเหตุให้พระไม่ยืนเทศไม่ยืนเทศให้คนยืนฟังอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ อันนี้ไม่ทราบนะนี่อาจจะเป็นข้อวินัยในสมัยก่อนนั่งเรียนการ น, นั่งนี่มันมีมีตำนานมากถ้าพระยืนเทศคนฟังก็ต้องยืนฟั ง, ง, ฟงว่าอะไรตำนานี้นั่งฟังไม่ได้ว่ามันแสดงว่าไม่เขารบผู้สแสดงธรรมถ้าผู้สแสดงธรรมอยู่ในท่ายืนคนฟังก็ต้องอยู่ท่ายืนถ้าผู้สแสดงธรรมอยู่ในท่านั่งคนฟังอยู่ในท่ายื น, ยนก็ไม่เขารบเลเกี่ยวเป็นเรื่องของความ เพิ่กดทำเะไรมาเพยใเของในอนดีตคุณไรโคปีนครับผมพยายามฝึกสติทุกลมหายใจซึ่งก็มีเผลอบ้างและนั่งสมาธิจิตไม่ยอมรวมครับแปลว่าสติผมยังไม่มีคุณภาพพอหรือครับและถ้าสติเป็นสติอัตโนมัติจะทำให้จิตรวมเป็นสมาธิได้เร็วขึ้นหรือครับอ๋อได้เป็นอัตโนมัติ5นาทีก็สงบแล้ว กรมมันไม่เป็นอัตโนมัติเมันต้องอัตโนมัติแบบต่อเนื่องด้วยนะไม่เผลอเลยเป็นสัมปัชญะถาอย่างนั้นห้านาทีก็สงบได้คุณวัฒนาครับการฟังธรรมทางออนไลน์กับการไปฟังธรรมที่วัดได้อนิสง์บุญต่างกันไหมครับไม่หรอกมันก็เป็นธรรมเดียวกันนะ บุญบีมังครับบริจาคเราหิตได้บุญไหมครับได้เป็นทานอย่างคุณไลโคปีนถามว่าพระอาจารย์ฝึกสตินานไหมครับถึงมีสติแบบอัตโนมัติก็ไม่ได้ไปไปนับวันนับคืนนะะแล้วก็พอเราเริ่มปฏิบัติแล้วก็เจ้า อ, อยู่ที่สติตดวเดียวไปเรื่อย ผมว่อสี่ข้อสิบไม่จับเงินรวมหมายถึงเงินส่วนตัวของเราเองหรือไม่ครับ เ, เงินทุกชนิดแตะคือไม่ให้แม่ ใ, มใ้ครอบครองเงินพูดง่ายๆการจับจความจริงมันไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่เพียงแต่ว่าก็กันไว้อย่าไปแตะต้องเลยแต่ความหมายตํางการก็คือแม่ครอบความเงินทองไม่ให้ใชใ้เงินทองดืวยตนเองเช่นญาติโยมถายเงินมาก็ให้ฝากไว้กับลูกสินะก็ถ้าต้องการ ถ้าต้องการซื้อของบางอย่างที่จําเป็นก็ให้ลูกศิษย์ไปซื้อให้ไม่ให้ใสายา่ย่าไม่เก็บตัวเก็บไว้ที่กุติแล้วอยากจะซื้ออะไรก็ไปซื้ออันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ให้ครอบครองแต่ให้ให้ฝากให้กับคนที่ไว้ใจได้ให้เขาช่วยรักษาเงินให้แต่ถ้าเขาเอาไปใช้ก็เอาเอาโทษเอาผิดเขาไม่ได้เพราะท่านได้ถือว่าเป็นเงินของพระเป็นเงินของเป็นเงินของญาติโยมมาฝากไว้ ก็มีอย่างเดียวคือต้องไปบอกญาติโยม ว, ว่าเอาบัญญัติฝังเงินให้กับคนนี้ไว้นะเพราะไว้ใจไม่ได้เขาไปใช้หมดคนี่คำถามนี้ผมไม่ทราบว่าพระอาจารย์รู้เรื่องมาก่อนนะครับพอดีช่วงนี้มีเรื่องของเด็กที่บอกว่าเป็นอนาคามีกับชาติมาเกิดแล้วก็สอนธรรมะอุ่เป็นเรื่อมจิตกับบุคคลนะครับพระอาจารย์ก็เลยมีคำถามอย่างนี้เยอะครับ พระพุทธเจ้ามีการสอนเทศนาประสงค์โมฆะในการเชื่อมจิตในการสอนหรือสอนในสมาธิไหมครับคือเวลาอยู่ในสมาธิมันสอนไม่ได้ถ้าอยู่ในอัปปนาสมาธิจิตมันเองจะสอนสอนสมาธิให้กับดวงวิญญาณต่างๆนะั่ต้องอยู่ในอุปจารสมาธิแล้วคือมีสามารถมีมีพลังจิตคือติดต่อกับกายทิพย์ได้อย่างพระพุทธเจ้าเวลาสแสดงธรรมให้กับเทวดาทุกคืน ท่านก็เข้าไปในอุปจารสมาธินี้อย่างที่เราควรอันนี้เราพูดถึงเรื่องของอัปปนาสมาธิกันเป็นส่วนใหญ่เพราะอุปจารสมาธิไม่ได้เป็นทางสู่สูมม่มรรผลนิพพานไม่สามารถไปมรรคผลนิพพานได้โดยทางของอุปจารสมาธิถ้าจะไปทางมัรคผลนิพพา น, นต้องไปได้วยทางของอัปปนาสมาธิเราจึงไม่ค่อย ไ, ได้พูดเรื่องของอุปจาระเท่าไหร่เพราะหนึ่ง คนที่จะสามารถเข้าอบจาระได้นี้มีน้อยมากเห็นครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าน้อยละห้าร้อยคนจะมีสักห้าคนที่สามารถเข้าอบจาระสมาธิได้แต่ก็ไม่เป็นปัจจัยสําคัญที่จะต้องมีสมาธิสําคัญที่จะต้องมีเพื่อสร้างผลนิพพานก็คืออัปปนาสมาธิทําใจให้สงบนิ่งเป็นอุเบกขาอันนี้นะเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องการเราจึงจไม่ค่อยพูดเรื่องอบจาระเท่าไหร่เพราะจะทําให้หลงทางได้ มีคำถามต่อมาว่าแล้วพระอนาคามีกลับมาเกิดได้อีกไหมครับไม่กลับมาเป็นมนุษย์แล้วถ้าเป็นพระอนาคามีจะเกิดอยู่พรหมโลกคุณใบยกครับลูกไม่เชื่อเรื่องเครื่องรางไม่เชื่อเรื่องสะดอกเคราะลูกเชื่อเรื่องการกระทำและผลของการกระทำเป็นสิ่งที่เกิดและให้ผลจริงกับใจเราและโชคดีที่ได้ไดเจอพระสุปฏิปันโนผู้เพียรผู้เห็นผู้ทำ ผ, ผู้หลุดพ้นบุญแล้วอ่อน พวกเดียวกันก็เลยพวกเดียวกันเดียวกันอาจารย์ได้ทราบข่าวไหมครับรอาจารที่มีเด็กคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ไ่ไม่ได้ติดตามเนะข่าวในบ้านของเราในส่วนใหญ่เป็นเรื่องไร้สาระเรื่องของอะไรก็ไมนะ่รู้เรื่องของคนที่ไม่มีปัญญานะเป็นเรื่องพูดอย่าพูดไปเลยเดี๋ยวจะหาว่า <laughs> ยิงย่งติดตามยิ่งโง่ไม่ใช้ฉลาดไม่ได้ให้ความรู้อะไรยิ่งพาให้หลงงมงายกันไปอันนี้ก็เลยทำไปหัวข้อนี้นะครับอาจารย์ธร <c oughs> รมะดีกว่าติดตามข่าวขาวทางธรรมดีกว่ศึกษาธรรมของพระรยาสงฆ์ดีกว่า คุณจอยครับขอากาสครับในเรื่องมงคลละสูตรบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนูควรบูชาแม่อย่างไรพ่อเสียแล้วแม่มีฐานะการเงินรายได้ดีกว่าหนูมากค่ะแต่ท่านชอบกินอาหารขยะของทอดของหวานหนูทำอาหารเพื่อสุขภาพไปท่านบอกว่าไม่อร่อยหลายครั้งเข้าก็หมดกำลังใจทำเหนื่อยและเสียเวลาด้วยครับก็อย่าไปให้ของที่เขาไม่อยากได้สิให้ของที่เขาอยากได้ เพียงแต่เราไปอยู่ใกล้ท่านไปกราบท่านไปคอยจับบีบนวดท่านเรื่องธรรมรับใช้ท่านก็ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ท่านอยากจะได้ก็ได้นะอย่ากไปให้ของที่เขามีแล้วของที่เขาไม่ต้องการอาจจะไม่มีคนที่จะมาคอยเอา อ, อกกอดใจเขาก็ได้เราเราไปเอา อ, อกกอดใจเขาดีแต่นี้ไปขัดใจเขาเนี่ยไปรู้ดีกับเขาเองเขาไม่ชอบกินอะไรกับหาสิ่งที่เขาไม่ชอบกินไปให้เขากินเขาก็เบื่อเรา เราไม่รู้จักวิชัยปณิวัฒน์ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ถูกต้องเราต้องเอาวาใจเขาอย่าไปขัดอย่าไปอะไรเขาอย่าไปทําให้เขาลาคาญต้องทําให้เขาทุกครั้งที่เห็นหน้าเราเขาดีใจเรีบโผลเขาก่อนนะมาคิดถึงจังทําให้เขารักเราทําให้เขามีความสุขแล้วเขาจะรักเราอย่าไปทําให้เขาทุกข์อย่าให้ทําให้เขาลาคาญเอ็นี่มาเล้วเอาของนี่มาให้กินอีกแลนะทั้งที่รู้ว่าไม่อยากไม่อยากกิน ถ้านท่านชอบของทอดก็ของทอดมาให้ท่านกินเนี่มันจะเป็นยังไงไปมันก็ตายอยู่ดีอะกินของทอดแล้วไม่กินของทอดมันถึงเวลามันก็ตายเหมือนกันะเราจะให้ให้ท่านอยู่แบบทุกข์แล้วอยากให้ท่านอยู่อย่างมีความสุขอืเราต้องดูตรงนี้ดูที่สุขหรือทุกข์ที่เราต้องการให้ท่านอย่าไปดูว่าท่านจะอยู่ยาวหรืออยู่สั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญอยู่ยาวแต่ทุกอยู่ไปไหมถ้าต้องไปติดคุกเนี้ยแต่อยให้อยู่ยาวถึงร้อปีจะไปอยู่ไหม ถ้าอยู่เน่าคุกแล้วอยู่แค่อายุสามสิบสี่สิบก็ยังนดีกว่าชมวิตติดคุกอยู่ใช่รับอ่านี่แหละวิธีปฏิบัติไม่ว่ากับใครก็ตามต้องเอาใจเขาแต่ถ้าเราว่าสิ่งที่เขาชอบมันเป็นภัยกับเขาเราก็อย่าไปให้เขาเท่านั้นเองให้เช่นสิ่งที่ไม่ไม่เป็นภัยกับเขาเช่น ถ, ถ้าเขาสูบบุหรี่นี่ก็ไม่ก็ไม่ควรให้เอาบุหรี่ไปให้เขาดินเหล้าก็ไม่ควรเอาเหล้าไปให้เขาดื่น คุณมาริสาครับบุญกุศลหมดได้ถ้าไม่มันสะสมเหมือนเงินในธนาคารใช่ไหมครับก็มันจะหมดก็ตามเมื่อมันไม่เบิกมาใช้ก่อนเช่นตอนที่เราเป็นมนุษย์ที่เรายังไม่ค่อยได้เบิกเงินบุญหรือบาปที่เราทํามาเราจะไปเบิกก็ตอนที่เราตายไปลเยตายไปแล้วก็จะเป็นดวงวิญญาณแล้วบุญก็จะเริ่มมาาจ่ายปันผลให้กับเราจ่ายดอกเบี้ยจ่ายต้นให้กับเราคุณป๋อมแปมครับ ขอโาอกาสครับฉันมื้อเดียวมีอาการปวดท้องไหมครับไม่มีหรอกเรื่องแต่บวดมาก็ฉันมื้อเดียวมาตลาดไม่เคยมีปวดท้องก็ปวดแบบปกติท้องเสียท้องร่วงกินอาหารเป็นเพศอะไรทำเรื่องนี้อย่าอยู่ดีๆกินมื้อเดียวจะปวดท้องไม่มีหรอกจริงๆพระอาจารย์กินมื้อเดียวได้อยู่อเมริกาแล้วนี่ครับพระอาจารย์ ก็งั้นนั่นถูกบังคับไฟบังคับไม่มีเงินไม่มีเงิกาเอาเง น, นไปจ่ายค่ารถเสมดเนี่ยเพราะอยู่อเมริกามันสําคัญนะถ้าไม่มีรถไปไหนมาไหนไม่ได้ก็เลยเําเงินต้องไปผ่อนรถเงินที่ได้มาทำหนังจะ ก, กินอาหารก็ต้องรถส่งไปสองวันหนึ่งวเดียว <c oughs> อันนี้ไม่ท้อใจมนเป็นเรื่องของการบริหารเงินของเราที่มันจําเป็น นั่นเดีวเราเก็อดไม่นานแล้วมันทนไม่ไหวนั่นที่สุดก็ไปหางานพี่งานทำํำ ม, มีงานทําก็โชคดีไปทํางานร้านอาหารมีอาหารฟรีกินอีกมีมีรายได้ก็แต่ตอนต้นไม่อยากจะไปทํางานร้านอาหารตอนนั้นถือตัวว่าไม่อยากจะทําไม่อยากจะไปไปล้างถ้วยล้างชามอะไรนะแต่พอมันหิวมากๆนี่มันอะไรก็เอาตัวเองมาแล้วคุณรัฐพันธ์ครับ ตอนต้าจานอยู่กับหลวงตาฝึกหนักไหมครับทํานเราเราก็ทําปกตินะเราก็ปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้นก่อนที่เราไปวัดตาบัานดาล น, นะเราก็ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนดลับนีนน่แล้วเราก็เลยไ ม, ไม่ไม่รู้สึกว่ามันหนักอะไรคุณช็อกโก้ครับถ้ามีชาติหน้าจริงชาตินี้เป็นผู้หญิงชาติหน้าเป็นหญิงอีกไหมครับหรือเป็นชายก็ได้ครับอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอะไรก็มักจะเป็นอย่างนั้นต่อ ถ้าอยากจะเป็นชายนะั้นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยของของของจิตถ้าจิตยังชอบอยังท้าชอบอะไรแบบผู้หญิงหญิงก็จะไปเกิดเป็นผู้หญิงถ้าชอบแบบผู้ชายก็จะไปเป็นผู้ชายถ้าทําตัวแบบทําตัวเป็นแบบผู้ชายเช่นหญิงบางคนสมัยนี้ใช่ไหมยขาเริ่มทําตัวเป็นแบบผู้ชายเล่นออกกําลังกายยกยกเหล็กทําอะไรไปทํางานของผู้ชายไปอันนี้แหละ โอกาสชาติต่อไปว่าจะได้เป็นผู้ชายก็ได้เช่นเดียวกับผู้ชายที่มาทําตัวเป็นผู้หญิงเนี่ยะหรือท่านชาติต่อไปก็จะกลับมาเป็นผู้หญิงได้มันอยู่ที่การปรับเปลี่ยนจิตใ จ, จของเราให้ไปทไํางใดทางหนึ่ง ค, คุณวรนธนาครับทุกวันนี้พยายามทําบุญกับพระแท้แต่ก็หายากําอย่างไรจะได้พบพระแท้ครับ พระแท้ๆส่วนใหญ่ท่านก็นจะเป็นพระป่าพระเขาเพราะอยู่ตามตามป่าตามเขาอยู่ตามชนบทตามที่สงบสงัดวิเวกยินได้อยากจะหาพระแท้ต้องเดินทางใกล้หน่อยต้องออกจากบ้านจากเมืองไปโดยเฉพาะถ้าอยากจะรู้ก็ดูง่ายๆวิธีการปฏิบัติของท่านถ้าจะนับเป็นพระธุนดวงกรรมฐานพระธุนดวงท่านคือท่านจะมีทุนดวงวัดที่ท่านปฏิบัติเช่นชันในบาทชันมือเดียวแล้วก็ท่านก็นจะ ปฏิบัติกรรมฐานเช่นอนาปนสติพุโทโธเนี่ยแล้วก็จะสอนอย่างเนี้ยสอนแคเรื่องแค่เรื่องขอ ง, ของการภาวนาของการปฏิบัติทยังไม่สอนเรื่องอย่างอื่นคุณปู๊เป้ครับตอนแรกหนูเคยท้อใจเกิดมาทําไมแต่โชคดีได้ฟังแนละปฏิบัติกับพระอาจารย์ได้เข้าใจตัวเองเกิดมาทําไมเพราะเป็นพยาบาลผ่าตัดตั้งแต่ขาถึงสมองได้เป็นหลายโรค อ, อยอะหนูหายไปเยอะค่ะโรคบางโเป็นประจำ ภาวะไฟและปฏิบิติรามโล ก, กระเพาะโลกภูมิลมพิษหนูหายไปพร้อมความฝันด้วยค่ะเลยเข้าใจธรรมโอสถรักษาใจหลับสบายมากเจ้าค่ะวันนี้คนจะเป็นแม่น้องเลนไหมใครเข้ามาในโซนชื่อหนึ่งเป็นพยาบาลคุณอธิชาครับหนูพาชาวต่างชาติทาบุญถ้าเป็นคนไทยเราจะต้องกรวดน้าเรามีความจาเป็นต้องบอกชาวต่างชาติให้กรวดน้ำไหมครับ ก็คือเราต้องอธิบายว่าบุญที่เราทําเนี่ยเราสามารถแบ่งให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้เพื่อถ้าเขาเอดอยากขาดแคลนในโลกทิพย์บุญนี้ก็จะช่วยบรรเทาความอดอยากขาดแคลนให้กับเขาได้ถ้าเขาอยากจะอุทิศก็ให้เขาอาธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานในใจเขาว่าขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ก็จบโดยที่ไม่ต้องใช้น้ําก็ได้ น, น้ํานี้มันเป็นเพลงพิธีกรรองค์ประกอบของพิธีกรรม แต่ตัวที่จริงๆก็กคือจิตของผู้ผู้กระทำบุญนั้นเพราะเวลาทาบุญต้องจะเกิดบุญคือความสุขใจขึ้นมาความสุขใจอิ่มใจนี้เป็นเหมือนอาหารทิพย์ที่ให้จิตที่เป็นกายทิพย์นี้จะได้มีอาหารทิพย์รับประทานได้คุณเดสตินีครับ เวลานั่งสมาธิมีปิติตัวเบารู้สึกถึงลมหายใจเบาๆ บ, บางครั้งมีแสงเหมือนไฟฉายส่องตาบางครั้งขนลุกขนพองโยมดูอาการที่เกิดขึ้นจนดับลงเกิดขึ้นอีกดับลงไปอีกเรื่อยๆแบบนี้โยมปฏิบัติถูกต้องไหมครับหลงทางนะเวลาปฏิบัติแล้วเกิดอาการต่างๆไม่ควรไปสนใจให้อยู่กับการภาวนาของเราต่อไปแต่ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นเดีหรวอาการต่างๆก็จะหายไปถ้าเราไม่ภาวนาต่อ ถ้าเราภาวนาต่อเราก็จะผ่านจุดนี้ไปเข้าสู่จุดที่เลิศ ก, กว่าที่สงบมากกว่าที่มีความสุขมากกว่าคุณรสจนาครับปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิมาหลายปีช่วงนี้มีความเครียดเหมือนความเพียรลดลงทําอย่างไรให้มีความภาคเพียรเหมือนเดิมครับก็ทําโดยบังคับตัวเองกาหนดเวลาถ้าเราไม่กําหนดเวลาตั้งสัจจะมันก็ไม่มันก็ไ ม, ม, ไม่มันก็ไม่ได้เพิ่มความเพียรได้ เพราะความขี้เกียจมันมีกําลังมากกว่าวิธีแก้วความขี้เกียจก็คือเราต้องตั้งสัจจะตั้งเวลา อ, อันนี้จะนั่งเวลานั้นเวลานี้ตั้งตีนาทีก็ว่าไปเราถึงเวลากเราก็ทำตามที่เราตั้งสัจจะไว้เราก็จะเพิ่มความเพีินขึ้นมาได้น้วยคุณไลโคพีนครับมีผู้หญิงที่เป็นบ้าหรือเป็นโรคจิตในทางาศาสนาไหมครับและการแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นบ้าในเชิงาศาสนาส่งผลเสียอย่างไรบ้างครับ ไม่มีทางศาสนาไม่มีคนบ้าหรอกคนที่ไม่อยู่ในศาสนาเป็นคนบ้านันแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องกับศาสนาท่านเลยก็เลยไปโทษว่าศาสนาทําให้คนเป็นคนบ้าศาสนาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลโลกจิตเป็นที่รักษาโลกจิตรักษาคนที่บ้าให้หายบ้าแคนที่ไม่เข้าเข้าหาศาสนานะส่วนใหญ่เป็นคนบ้าทั้งนั้นนะเแต่เราไม่รู้ว่าเราบ้าเร า, เราบ้านู่นบ้านี่กัน ยินงถ้าคนทั่วไปบ้านเหมือนกันก็เลยไม่ถือว่าบ้าใช่ไรับ <c oughs> บ้ากินเหล้านี่เราก็เราก็ไม่ถือว่าบ้าใช่ไหมเพราะค น, คนกินกันเยอะแยะไปหมดนะอันนี้ก็บ้าแล้วคนคนธรรมดาคนที่ไม่บ้าเขาไม่ไปดื่มชวราหรอกดื่มชวรามันมีพิษมีภายัดตัวเองมันไม่ได้มีคุณมีประโยชน์อะไรกับจิตใจเลย้็ไปก็ไปเดือดกันนี่แหละคือคนบ้าอ ยิ้นมันมีทั้งหญิงทั้งชายคนบ้างมันมันไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงหรือผู้ชายมันอยู่ที่มีสตกิกำกับควบคุมจิตใจหรือไม่ถ้ามีสตกิกำกับจิตใจก็จิตใจก็อยู่เป็นปกติได้ถ้าไม่มีสติเวลาจิตใจก็อาละวาดขึ้นมาได้ คุณแมวอีสานครับภาวนาพุทโธตามลมหายใจทำทำไปมีความรู้สึกว่าจิตไปเพ่งที่พุทโธจึงอยากถามว่าแบบนี้ถูกผิดอย่างไรครับได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเอาทั้งสองอย่างคุณมุกี้ครับตอนนี้ลูกเห็นคนเป็นเพียงแค่ดินน้ำลมไฟเจ้าค้ารู้สึกเฉยเฉยไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องอะไรสุขก็เฉยทุกข์ก็อดทอนปล่อยผ่านเฉยได้ลูกต้องทาอะไรเพิ่มอีกไหมเจ้า้านะถ้าปฏิบัติมากขึ้น ต้องมีสงบสุขในเลเวลมากกว่านี้ไหมครับก็ต้องไปทำในสิ่งที่เรายัางไม่เฉยเช่นคนก็ด่าเราเรายัางเฉยได้หรือเปล่าคนก็ตบหน้าเราเรายัางเฉยได้หรือเปล่าคนก็เอาแฟนเราไปเรายัางเฉยได้หรือเปล่ายังมีเยอะแยะที่เรายัางไม่ได้เฉยก็ต้องไปพยายามทำให้มันเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เวลาเาราแก่เราเฉยได้ป่าเวลาหน้าเราสิว <biliyor? S 1> ขึ้นฟ้าขึ้นมาเรา เฉยได้หรือเปล่าเวลาเนื้อหนังเราหย่อนยานขึ้นมาเราเฉยได้หรือเปล่านีมันต้องเฉยทั้งหมดถ้าเห็นว่าเป็นเด น, น้าลงไฟล้วจะไปเอาอะไรกับมันนะมันไม่เห็นจริงกัะสิเห็นบางส่วนเห็นเห็นบางครั้งวาเวลาที่เราอยากจะเห็นส่วนเวลาอื่นเราไม่ยอมมองมันนี่มันก็ไม่เห็นคุณมนตรีครับเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันบวชได้ไหมครับ ก็ไปติดต่อกับวัดดยถามคนอยู่คนที่รับ เ, เขาจะมีเขาจะวิจพิจารณาดูว่าเขาจะให้บวญหรือไม่ให้บุญคุณวรนธนาครับชาติหน้าเราเลือกเกิดได้จากการสร้างบุญให้มากๆใช่ไหมครับก็คือชาติหน้าเราก็จะเลือกให้เราจะไปเป็นอะไรก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นพระระยะบุคคลก็ได้หรือเป็นเนรชานก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทําในชาตินี้ คุณแต้มสีครับตอนนี้วัดต่างๆสอนใหอารัธนาคุณพระรัตนาตายและครูบาอาจารย์ก่อนจะเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ดิฉันไม่ค่อยทำเพราะตอนเด็กไม่อารัธนาอะไรสมาธิก็ก้าวหน้าไปมากกว่าตอนนี้คิดว่ามันขึ้นอยู่กับความตั้งใจปฏิบัติของเราคิดถูกไหมครับได้มันอยนการปฏิบัตนะิอันนี้เป็นเรื่องของการพิธีกรรมรเป็นการการอาจจะลําเลื่อนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นครูบาอันนี้ถึงครูบาอาจารย์ ก่อนแล้วค่อยเดินก็ได้แล้วแต่เราไม่ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญในการปฏิบันก็คือการมีสติคนรจะอาราธนาสติดีกว่าถ้าจะให้อาราธนาเลยเชิญสติมาเถอะสติถ้าอยู่ไหน <laughs> คุณใบหยกครับ แต่ก่อนลูกชอบดูดวงเพราะสติน้อยขาดปัญญา <c oughs> พอได้มาเรียนรู้ทำคำสอนจากพระอาจารย์สิ่งที่เป็นคือเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นคือเรื่องมโนปรุงแต่งสำหรับคนจิตใจอ่อนแอก็หลงเชื่อถ้ามาในที่ถูกทางที่ถูกจิตใจจะไม่ air, อ่อนแออย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าฝึกสติใบจิตก็จะเข้มแข็งะยาวาเฉยคุณสิงโตครับ พระอริยบุคคลขั้นโสดาบันท่านยังมีความยินดีในรูปร่างหน้าตาของตัวเองอย่างเช่นเรื่องทรงผมทำสีผมบำรุงผิวพรรณใช้น้ำหอมเพื่อดับปลิ่นตัวแบบนี้เป็นต้นท่านยังทำเรื่องแบบนี้อยู่ไหมครับได้ท่านทำได้ท่านก็ยังชอบอยู่ฉันยังชอบความสวยความงามทัานของตัวเองและของผู้อื่นอยคุณแดงครับคนฆ่าตัวเองตายบาปมากไหมครับก็บางะบาป จะบามากบาน้อนี่เราก็ไม่สามารถที่จะพูดถึงได้คุณเมมโมครับหนูเดินจงกรมสามสิบนาทีแล้วมานั่งสมาธิต่อ <c oughs> โดยบริกรรม <c oughs> โดยบริกรรมพุทโธตลอดสลับกับดูลมบ้างประมาณสิบกว่านาทีและมีความรู้สึกเหมือนเวลาตัวหมุนลองบริกรรมพุทโธให้เร็วขึ้นและช้าลงก็ไม่หายครับก <c oughs> ็ลองหยุดลองหยุด ลองอหยุภาวนาดูก่อนว่าถ้ามันโต้เหมือนโดยโดยความรู้สึกของเร า, เราคิดว่าเราเห็นของโต้เหมือนก็คือไม่มีไม่มีสติพอไว้ให้จิตมันแสดงอาการเหล่านี้ขึ้นมาเองนการจเจริญสติของเราอาจจะไม่ถูกหรือบริกรรมแบบใจลอยก็ได้ลอยลอยแบบบริกรรมพุโทโธไปเด่นจอยก็อาจจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ควบคู่ไปด้ยก็ได้ถ้าอย่างนี้มันก็มีโอกาสที่จะทําทให้ การอาการต่างๆเหล่านี้ได้การมีสตินี้หมายถึงก็ต้องมีสติโดยที่แม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆพร้อมๆกัน ถ, ถ, ถ้ามีพุโทโธก็มีแต่พุโทโธอย่างเดียวไม่ได้พุโทโธไปแล้วคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันด้วยถ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติเมโมบอกมาต่อว่าจึงลืมตาแล้วหลังจากลืมตาก็ยังมีความรู้สึกสายตาเคลื่อนไปมาซ้ายขวา และรู้สึกผะ อ, อืดระ อ, อมเพิ่งเกิดอาการลักษณะนี้ขึ้นครั้งแรกครับถ้าเกิดอีกจะทําอย่างไรครับก็ดึงสติกันมาล อ, องใบกรรพุโทโธคำไปเรื่อยๆช้าๆไม่ต้องเร็วก็ได้ให้มีสติกับพุโทโธอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคุณใบยกครับสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีผลใดๆแม้กระทั่งแกงของเซ็นเตอร์หรือมิชชั่นที่พใจเราไม่มีความอยากได้ในสิ่งล่อลวงนั้น เป็นคำพูดที่ต่อจากเมื่อก่อนนี้มัคุณมุกี้ครับลูกอยากมีกำลังสติอัตโนมัตร100ิร้อยเปอร์เซนค่ะเวลานั่งสมาธิเจริญสติเพ่งไฟเผาร่างกายอย่างเดียวได้ไหมคะเราเห็นจิตยิ้มและเหมือนจิตจะเข้าใจแล้วว่าเดี๋ยวภาระในการดูแลร่างกายนี้ก็จะจบลงเลยรู้สึกใจสบายใจรปล่อยได้ครับก็ดีทำได้ก็ดี ข้อมันของงานปฏิบัติเพื่อให้ใจเราสงบให้เราเย็นให้สบายไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวกับร่างกายของเราคุณพัทรนิตครับนั่งสมาธิก่อนนอนเห็นสภาวะจิตที่เกิดระหว่างวันเกิดเข้ามาแท่พอรู้สึกตัวก็กลับมาดูที่ลมหายใจสลับไปสลับมาเหมือนเราได้ระบายสิ่งโสโปรออกมาจึงเข้าสู่สภาวะสงบได้ครับ คุณสิทธพรครับการนั่งสมาธิจําเป็นที่จะต้องกําหนดเวลาหรือไม่เช่นนั่งสมาธิน้อยได้บุญน้อยนั่งมากได้บุญมากหรือไม่เจ้าคะต้องกําหนดสติเวลาไม่ต้องไปกำหนดถ้ามีสติกันะนั่งได้นานจะได้บุญมากถ้าไม่มีสติก็จะนั่งได้น้อยก็จะได้บุญน้อ ย, ยไม่ต้องไปกําหนดเวลาถ้าเป็นไปได้นอกจากว่าเรา ม, มีเหตุการณ์จําเป็นบังคับว่าเราจะต้องไปทําอะไรต่อหรือไม่ เราก็เรากำหนดเวลาแต่ถ้าเราไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาล้วก็ควรจะใช้สติเป็นตัวหลักของการกาหนดของการนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิเยอะนานตามเวลาที่เรากำหนดแต่ไม่มีสตินั่งก็จะไม่มีคุณภาพจะไม่มีใจก็ไม่สงบแต่ถ้าเรามีสติแล้วเรานั่งไม่นานเราก็ได้ความสงบได้บุญมากกว่าการที่ได้นั่งนานๆมันอยู่ที่สงบมากสงบนะสงบนา น, น, านหรือไม่สงบนาน จะสงบไหมสงบอยู่ที่การมีสติแล้วไม่มีสติเป็นล่ะคุณจันทร์ศรีครับแม่เพิ่งเสียเมื่อวันที่สิบห้าวันนี้เพิ่งชาปนากิจศพไปแล้วแบบนี้จะมีจิตมาหาคนที่บ้านไหมครับก็ไม่แน่แล้วแต่แต่ละจิตแต่ละดวงมันจะเขมีความผูกพันมีความคิดถึงมีความรักห่วงใยก็ยังอาจจะมามาเยี่ยมเยียนก็ได้เแต่ว่าเราจะรู้ว่าเขามาหรือไม่ท่านเอง คุณแฮปปี้ครับเกี่ยวกับสภาวะธรรมเวลานั่งสมาธิมีปิติตัวหนาตัวลอยตัวเบารู้สึกถึงลมหายใจเบาๆบางครั้งมีแสงเหมือนไฟฉายอ๋อนี่มันดูแล้วมันตอบไปแล้วนะครับคุณมกกี้ครับระหว่างการเข้าสมาธิเพื่อพักจิตกับการนอนหลับแบบไหนจะเป็นการพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากันครับถ้าพักผ่อนร่างกายมันก็ต้องนอนหลับมันจะมีประสิทธิภาพกว่า ถ้าเาพักผ่อนทางจิตก็ต้องเข้าสมาธิเวลาเข้าสมาธิจิตเราไม่คิดปรุงแต่งแต่เวลานอนรับจิตขอวเรายัางปรุงแต่งได้ยังคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆได้คุณเที่ยวไปเรื่อยครับตอนนี้ได้วัดที่จะบวชแล้วเป็นวัดลงสายหลวงตาเป็นวัดที่มีคนไปน้อยไม่มีการก่อสร้างเน้นภาวนาพระอาจารย์ ตามที่ฟังพระอาจารย์แล้วได้แนวทางพอสมควรผมจะเน้นหนักทางสมาธิให้ชํานาญและพิจารณาทางปัญญาแบบนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องไหมครับใช่ถูกต้องนะไปทางสมาธิก่อนให้ได้สมาธิก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาต่อคุณพจนนาครับนั่งสมาธิไปแล้วฟังธรรมไปด้วยได้ไหมครับก็มัน ก, ก็การฟังธรรมก็เป็นการนั่งสมาธิในตัวอยู่แล้ว ถ้านั่งสมาธิเราไปฟังธรรมก็ขึ้นอยู่ว่าเราฟังเราเรานั่งแบบไหนฟังแบบไหนใช่ไหมถ้าเรานั่งแล้วเราพูดโธไปแล้วฟังธรรมไปด้วยอย่างนี้ก็ไม่ควรเพราะการบริการพูดโธกับเสียงธรรมมันจะชนกันถ้าเราจะนั่งฟังธรรมเราก็ใช้เสียงธรรมเป็นเป็นเป็นกรรมฐานแทนแทนที่จะใช้พุโทโธแทนที่จะดูลมหายใจเขา้าก็ใช้เสียงธรรมเป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์แทนแตถ้าเรา แต่ถ้าเราต้องการจะดูรวมเราก็ไม่ต้องไปฟังธรรมหร่อทาการพุโทโธก็ไม่ต้องไปฟังธรรมจะดีกว่าเอาอย่างย่อย่างหนึง่งคุณประชาครับมีบทบัญญัติห้ามพระฉันผลไม้ที่มีเมล็ดห้ามฉันเนื้อสิบประเภทไม่ทราบว่ามีข้อห้ามพระฉันเนื้อที่ติด ก, กระดูกหรือคลายกระดูกหรือไม่ครับไม่เนื้อสิบประเภทกับพวกสัตว์ป่าทั้งหลายเนื้อเสือเนื้อ สิงโตเนื้อช้างเนื้ออะไรเหล่านี้เป็นถัดไปไม่ให้ไม่ให้รับประทานเนื้อชนิดเหล่านี้คุณทัศนาครับเวลาใส่บาตรและอุทิศให้กับพ่อแม่ญาติญาติจะต้องระบุชื่อทุกคนไหมครับอแล้วเขาจะไม่รู้เลยว่าอุทิศให้ใครเวลาเขียนถ้าเอาของขวัญมาจากอะไรต้องเขียนชื่อใส่นะสําหรับคนนี้สําหรับคนนั้นมูลก็เหมือนของขวัญที่เราจะให้คน เราก็อบอกอันนี้ขอให้คนนี้นะคนนี้คนนั้นแต่ถ้าให้เยอะๆเราทำบุญแค่นี้เราก็ต้องแบ่งกันใช่ไหมเขาก็ต้องมาแบ่งอถ้าให้คนเดียวเขาก็ได้ไปหมดเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราถ้าต้องการให้มากให้คนมากอะเขาอาจจะได้รับน้อยเพราะว่าต้องแบ่งกันแต่ถ้าเราคิดว่าให้คนนี้คนเดียวดีอเขาจะได้เต็มที่เลยอยนี้ก็ไม่ต้องอันที่ชื่อคนเดียวก็พอ คุณประวิทย์ครับผมมีปัญหาในการท่องบทสวด ส, วสำหรับบวชจำยากมากตอนหนุ่มๆเคยบวชแล้วตอนนี้กเกษียณแล้วอยากบวชอีกขอคำแนะนำครับมันไม่น่ายากขนาดนั้นมันมีแค่กรดแค่หน้าสองหน้าเท่านั้นเองใจเย็นๆนเอาทีละบรรทัดของบรทัดค อ, คอยท่องไปเรื่อยๆทบทวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองอซสาหั่งพันเตสุจิระปนี่เราตั้งแต่บวชมาเราอย่งพอา จ, จเรื่องต้นไหน ทีส่สร้างพันธุ์เดชสุจิระประวิณีบาอะไรเนี่ยเลยไปแล้วก็ค่อยเอาทีละบรรทัดสองบรรทัดแล้วค่อยทบทวนไปเรื่อยๆเยพิ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองต้องขยันที่ไม่ได้เพราะความขี้เกียจเนาะปะเพราะอ่านจบอยากจะท่องจําได้เลยมันไม่ได้ล่ะวันนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามคิดอยู่บ่อยๆนึก อ, อยู่บ่อยๆผมก็ยังพอจําได้เลครับอาจารย์ <laughs> หตดทำยึดเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับใช้เอสาหังครับื ม, มคุณนงรักครับหนูตั้งจิตโอนเงินเข้าบัญชีพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วจินตนาการว่าใส่บาทเป็นนมสองขวดแล้วกดโอนอย่างนี้สามารถทําได้ไหมครับช่วยไปจินตนาการแต่มันจินตนาการไม่ได้แต่ความจริงมันก็คือเงินนะแล้วแต่ผู้แล้วมาเขาย่อาไปทําอะไรก็แล้วแต่เขา คุณออนอนงค์ครับเดินออกกำลังกายบริกรรมพุทโธไปตลอดระหว่างเดินได้ไหมครับไ ด, ได้ก็เป็นการเดินจงกรมเหมือนการเดินจงกรมไปคุณสิริพรครับเวลานั่งสมาธิถ้าจิตไม่รวมจะถือว่ายังไม่ได้บุญเต็มที่ใช่หรือไม่ครับใช่บุญที่เกิดจากความสงบยังไม่เกิดจากบุญที่เกิดก็คือบุญที่เกิดจากความเพียรพยายามอันนี้ก็เป็นบุญอย่า ง, างนึง การมีความเพียรพยายามมีระยะมามีคุณแฮปปี้ครับทําไมยิ่งปฏิบัติยิ่งมีเพื่อนน้อยลงก็เกิดจากศีลเสมอกันหรือไม่ครับเวลาเราปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติคนเดียวนะถ้าเราปฏิบัติมากเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นมากเพื่อนก็น้อยลงไปเวลาก็ชวนเราไปเที่ยวเรา ก, เราก็เราก็ไม่ไปบอกเราจะไปวัดเพื่อนก็จะน้อยลง แตอาจจะได้เพื่อนใหม่เวลาไปไวัดไม่ใชเพอพวกที่ไปอยู่วัดด้วยกันแล้วก็าจจะได้เพื่อนใหม่ก็ได้ถ้าไปไปปฏิบัติที่วัดแต่ถ้าปฏิบัติที่บ้านมันจะไม่มีเพื่อนคุณป้อมครับหนูขอทราบความหมายของคําว่าภาวนาครับคำภาวนาก็คือการปฏิบัติที่เรียกสมาธิกับปัญญาเลยการทําสมาธิก็เรียกว่าสมถาภาวนาการ การเจริญปัญญาก็คือการเจริญวิัพ ส, สนาภาวนาคือการเจริญปัญญาก็ลองไปถ้าอยากจะรู้ความหมายของคำว่าภาวนาก็าใส่ลงไปใน g ูเก l e เนี่ยได้รู้หลายหย่านยากมันง่า ย, ย่าตายไปไม่ต้องมาถามเราเลยคุณอเก้าครับบริจาค ร, ร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่บริจาคอายวะและดวงตาขอทุกท่านร่วม อ, อมุรนาถึงขนาดก็ยังคงกลัวที่แคบครับจะแก้อ ย, อยางไงครับ ก็ยังไม่ได้บอ่อยจากนี่เพียงแต่เพียงแต่บอกเจตนาว่าบรจะบอ่อยจากแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บอ่อยจากไม่ใช่เหรอเราจะเป็นเรื่องบรรลุมรดนาลได้อย่างไรยังไม่มีคนอะไรต่างเกิดขึ้นเลยกับการบอร่อยจากโดยที่ยังไม่ได้บอ่อยจากก็เหมือนบอกผมจะถวายเงินลาน้านนึ่งแต่ผมยไม่ถวายน้อยผมตายกว่าจะไปเอาบุญ <laughs> ก็ยังไม่เกิด เหมือนกันเหมือนกับไม่ได้บริจาคมันเพียงแต่เจตนาบอกเจตนาว่าจะบริจาคจะทนะํานแต่ยังไม่ได้ทําบุจก็เลยไม่เกิดทุกอย่างก็เลยเหมือนเดิมครับแล้วกลัวที่แคบแก้อย่างไรมีมีวิธีไห ม, ม, ม, ม, มครับก็ต้องไปอยู่ที่แคบบางครั้งให้ไปอยู่บ่อยๆแล้วการมันจะชินกับการที่อยู่ที่แคบมันก็จะหายกลัวเองคุณพี่ตุ๊กพงครับ ขอคำแนะนําแนวทางการฝึกอานาปานสติครับก็ให้ดูลมเข้าที่ปลายจมูกเท่านั้นนะไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นลมเข้าก็รู้ลมตอนที่ลมสัมผัสกับปลายจมูกลมออกมันก็จะมาสัมผัสที่ปลายจมูกเราก็จ <aí> ่ออยู่ที่ปลายจมูกจมูกเราก็เป็นเหมือนทางเข้าทางออกของลมเลยเราก็ดูลงนั้นไปลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทางนี้ เราจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไม่ไปคิดอะไรคุณแต้มสีถามว่านิพานแบบตกกระไดพลอยโจรคํานี้เคยมีพิมพ์เป็นข้อความสั้นๆทําได้จริงไหมครับอาจารย์นิพานไม่มีแบบตกกระโดยลายพลอยโจรนะนิพานมันก็เป็นไปเมื่อเราดับกิเลสได้หมดสิ้นไปมันก็มันก็เป็นนิพานขึ้นมาแต่แบบตกกระไดพลอยโจรนี่เราไม่ทราบความหมายว่าเป็นยังไง แต่าสมาธินี้มันก็มีแบบตกจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำได้แล้วเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวบางเทมันเจ็บมันก็วูบลงมามันตกจากที่สูงลงมาก็ได้อย่างนี้ลักษณะที่แบบดกกระดอยพายจวนอัน ท, ที่พานไม่เคยได้ยินว่าเป็นแบบตกกระดอยพอยจวนเป็นยังไงคุณเที่ยวไปเรื่อยครับ อาจารย์บอกว่าชาตินี้อาจจะเป็นชาติเดียวที่ได้เจอพุทธศาสนาแสดงว่าเรามาเกิดในชาตินี้โชคดีแล้วใช่ไหมครับและต้องศึกษาลและปฏิบัติลุยไปเลยใช่ไหมครับถูกต้องก็เหมือนเราถูกรตเตลี่เรามวัลที่หนึ่งเราถูกราต้องเรียกไปขึ้นรามันใช่ไหมไม่ได้เก็บไว้เฉยๆรีบไปที่กองสลากเอารถเตอรี่ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานเบื่อหาย คุณสราวุธครับทํายังไงจึงจัดละกิเลสการมาราคาให้เบาบางไปได้ครับก็ในแบบปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาครับตัวนี้แต่การทําทางก็ละ ก, กิเลสได้ละความโลภได้เวลาทาทานแล้วเราคายแล้วมันก็เลยสนทานกับการอยากได้ขึ้นมาละษาศีนก็จะข้ามไม่ให้เราโกรธเพาะที่เราทําบาปเพราะเราทำเพราะความโกรธกัน พเราถือศีลแล้วเราก็จะทำไม่ได้ความกดก็จะน้อยลงไปคุณสราวุธครับถ้าปฏิบัติฟังธรรมะฝืนกิเลสแล้วใจซึมเศร้าจะกำลังใจไม่พอทำอย่างไรครับถ้ามันฝืนกิเลสแล้วใจซึมเศร้าแล้วอเาสติเรามีกำลังน้อยไปก็ไปฝึกสติก่อนให้สติมีสติให้มาก แล้วมันก็จะฝืนกิเลได้แล้วจะไม่เสืมเศร้าตอนนี้เราสู้กิเลสไม่ได้กิเลดมันเป็นกำลังมากกว่ามันเลยทําให้ใจเสื่อมเศร้าขึ้นมาคุณวรนธนาครับจิตสุดท้ายก่อนจากโลกนี้ไปควรนึกถึงพุทโธถูกต้องไหมครับนึกก็ได้ไม่นึกก็ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นตัวที่จะเป็นตัวที่จะกําหนดว่าเราจะไปดีหรือไม่ดี ตัวที่จะไปดีไม่ดีก็คือบุญกรรมบาป ท, ที่เราทํามาตลอดชีวิตเนี่ยเป็นตัวที่จะกําหนดถ้าเรากําหนดพูทโธมันก็ช่วยบรรเทาให้ใจเราไม่เครียดได้ในช่วงนั้นทําให้ใจเราเย็นสบายอาจะไปสูงไม่ต่ํามันไม่ได้อยู่ที่จิดสุดท้ายเรามันอยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่เราได้สะสมทํามาว่าอย่างไหนมีกําลังมากกว่ากัน คุณล้ำรวยครับทานมื้อเดียวแล้วขับถ่ายจะดีไหมครับเพราะว่าเกรงว่ากากจะน้อยไม่ถ่ายทุกวันครับก็ลองทำดูสิเหมือนยันทานทุกเรื่องเลยเน <laughs> อ, องทำดูำำด้วยคุณมาริรัตก็พูดถึงว่าพระอาจารย์ฉันมือเดียวแต่ดูผ่องใสครับ คุณอัศวินบอกว่าหมอถามว่าจะใส่เครื่องช่วยหายใจแต่เราบอกไม่ต้องใส่ถือว่าเป็นมาตุคาดไหมครับหมายถึงก็ทำกับแม่เลยครับผ ม, มก็เป็นเรื่องของแม่เราให้ถามแม่เขให้ตัดสินใจไม่เราไม่เกี่ยวกับเรา ค, รคุณช็อกโก้ครับหนูจะบาปไหมครับเวลาหนูทําบุญหรือตักบาตรชอบขอไม่ขอเกิดมาเป็นพี่น้องแม่กระทั่งพ่อแม่หรือญาตาิต่างๆ จาริษฐานว่าไม่ขอเกิดมาร่วมกันอีกขอไปที่ดีๆสุขกว่าพบนี้และจะขอกล่าวอโหสิกรรมต่อการหนุนบาปไหมครับหรือจะเกิดมาร่วมกันอีกใหม่ครับไม่แบ่าปแล้วมันเป็นบุญหรอการอธิษฐานมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราอธิษฐานหรอกการจะเป็นไปตามที่เราอธิษฐานนั่นอยู่ที่การกระทําของเราส่วนการที่เราไม่อยากจะมาเจอใครก็เพราะาเราเจอเขาแล้วทุกข์ก็ได้นะเราก็ไม่อยากจะเจอเขาขึ้นมา เป็นเรื่องของการไม่มีความเมตตาต่อกันะแล้วไม่คนที่จะไปเกยียดชังผู้อื่นนะคนจะให้มีความเมตตากับทุกคนการความเมตตาน้อยความเมตตาคุณเพนครับสวดมนต์บูชาพระแบบบทย่อกับแบบเต็มได้อในส่งเหมือนกันไหมครับก็ได้บ้างได้น้อยครับบทย่อมันก็สั้นมันก็ได้น้อยถ้าสวดยาวมันก็ได้มันก็ได้ได้มากกว่า คุณปลายฟ้าครับบทสวดปาติโมกศีลแปดผู้หญิงท่องสวดได้ไหมครับปาติโมกมันไม่ได้เป็นศีลของผู้หญิงนะปาติโมกมันเป็นศีล227ศีลแปดก็เป็นศีลแปดของง เ, เรื่องกัน้ไม่ใช่ไม่ทราบว่าถามเรื่องไหนถ้าจะท่องศีลแปดก็ท่องได้ท่องสดอานนาติปาตาอะไรนี้ไปถึงครบแปดข้อก็เป็นการสวดศีลแปด ผู้หญิงก็ทำได้ผู้ชายก็ทำได้ใครก็ทำได้เป็นวิธีเจริญสติแบบหนึง่งเหมือนคำบริกรรมพุทธโธแต่ต้องทำมากๆไม่ใช่ทำแค่รอบเดียวอาจจะต้องทำทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งถึงจะได้อานิสงส์ได้ประโยชน์คุณสราวุธครับการไหว้พระสดมนทุกวันได้บุญไหมครับก็ได้ทําที่ทำเนี่ยทำทาได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้น ทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยคุณบัวถามว่าผีมีจริงไหมครับผีก็พวกเรานีน่แหละเวลาร่างกายตายไปเราไม่มีร่างกายแล้วก็เป็นผีเราเป็นผีแล้วยัมามาถาม่มีจริงไม่ไม่มีจริงได้ที่เรากลัวกันวันกลัวใครเราก็กลัวคนที่ไม่มีวิญญาณไม่มีร่างกายใช่ไหมแต่เลาเขาเขาเวลายังไม่ตายเราก็ไม่กลัวเขาไ พอเขาตายปับนี่กลัวผีก็เกิดขึ้นมาแล้วไม่อยากให้เขาอยู่บ้านเราแล้วพาเขาเข้าวัดเลยส่งเข้าวัดทันทีเลยที่บอกว่าไม่ควรมีหลายอาจารย์ในการปฏิบัติถ้าหากว่าเราศึกษาและฟังจากพระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบห ล, หลายๆองค์แต่แยกในแต่ละส่วนนํามาปฏิบัติเช่นการนั่งสมาธิยืดตามองค์หนึ่งการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันคําสอนอีกองค์หนึ่ง ฟังธรรมมาจากอีกองค์หนึ่งเป็นต้นถือว่าหลายอาจารย์ไหมครับและการปฏิบัติภาวนาจะล่าช้ามีโทษไหมครับถ้าไม่ขัดกันก็ใช่นะถ้าเสริมกันก็โอเคเพราะว่าบุงทีมันขัดกันมันก็เลยทําให้เกิดความเป็นปัญหาลังเลสงสัยว่าจะไปไป ท, าไทําไหนดีแต่ถ้าไม่ขัดกันส่งเสริมกันก็ได้สามารถศึกษากับครูอาจารย์หลายรายรูปได้จดากผูไม่ประสงค์ออกนามครับ คนที่จะได้เป็นพระโสดาบานันจะต้องผ่านความเจ็บระดับที่หลงตาใช้คำว่าระดับช้างหรือเปล่าครับถ้าต้องก็ต้องไม่กลัวความเจ็บนะจะระดับไหนก็ตามสามารถอยู่กับมันได้คุณสีดินันครับเวลาเห็นความโกรธเกิดขึ้นและเห็นดับไปใช่การเห็นจิตเกิดดับไหมครับก็เป็นอาการอย่างหนึ่งของจิตเนี่ยความโกรธก็เป็นาการอย่างหนึ่งที่ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับได้เป็นธรรมดา คุณมาริสาครับการทำทานกับนักบวชต่างนิกายจะได้บุญเหมือนทำทานกับที่ไทยไหมครับทำกันใครก็ได้บุญเหมือนกันนะบุญไม่ได้อยู่ที่ผู้รับบุญอยู่อยู่ที่ผู้ให้บุญเกิดจากการให้ไม่ได้เกิดจากการมีผู้รับเป็นคนไทยรนมะ่เป็นฝรั่งไนมะ่เป็นอะไรถ้ามีการให้คนให้ได้บุญแล้วแล้วมีผู้รับผู้รับจะเป็นใครก็ได้ คุณแพมครับชีวิตที่ปกติคืออย่างไรครับก็เท่สงบไม่วุ่นวายคุณพี่ตุพงศ์ครับการอุทิศส่วนบุญให้ผู้อื่นแล้วบุญที่เรามีลดลงไหมครับคือบุญทั้งหมดที่เราทํำนี่เราอุทิศได้บางส่วนนะไม่ได้อุทิศได้ทีทั้งหมดแบ่งแบ่งไปเสี้ยวหนึ่งทําน้อยหนึ่งอาจจะแบ่งไปได้หนเปอร์ซนอย่างงี้อีก9ก้าปอร์เซ็นยังเป็นของเราอยู่ คุณมาริมีครับพระที่สอนให้สวดมนต์แล้วทําให้โชคร้ายกลายเป็นดีถูกต้องตามหลักพระเจ้าไหมครับไม่มีนะโชคมือนก็เป็นเรื่องของโชคไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์บางทีก็โชคดีบางทีก็โชคร้ายไม่มีใครไปควบคุมคบังคับโชคชะตาได้คุณบัวครับ เวลานั่งสมาธิได้ยินเสียงลมเป็นเสียงคล้ายเสียงสวดมนต์คือหลงไม่เจ้าคะ่ะไม่มีสติแล้วเพอินแล้วถ้ามีตั้งสมาธิต้องอยู่กับลมแล้วอยู่กับพุโทโธอย่าไปสนใจกันเรื่องอื่นคุณแสงได้ครับทําไมเวลาใส่บาตรด้วยเงินพระธุดองท่านถึงไม่ยอมรับพระท่านบอกรับแต่น้ํากับอาหารหรือนมเท่านั้นเจ้าคะ่ะเพราะท่านแข่งกับพระไม่ใน ถ้ไมได้ห้ามพระรับเงินรับทองจับต้องเงินทองด้วยตนเองถ้าจะถายให้เงิน้พระต้องฝันเด็กลูกเศรษฐีดิ น, นมาด้วยแต่ถ้าไม่มีลูกเศรษฐีก็ไม่น้องถาวายคุณเพ่ยเครับมีวิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ร่วงรับไปแล้วแบบใดบ้างครับนอกจากให้ทานครับก็มีวิธีเดียวเทาที่ได้ยินมาถ้าอยากอากุทิศบุญให้กับผู้ร่วงรับก็ให้ทําบุญทําทานไป คุณพัทระวันครับจุดธูปปักที่ห้องพระแต่มาสวดมนต์ในห้องนอนได้ไหมครับได้คับจุดที่ไหนก็ได้ไม่จุดก็ได้มันไม่เกี่ยวกันนะจะสวดมนต์โดยที่ไม่ต้องจุดธูปอะไรก็ได้คุณองังหนุนเปรี้ยวครับทําวัดเช้าเย็นมีจุดประสงค์เพื่ออะไรครับก็เป็นการเจริญสติเให้เราสวดมนต์ เราก็จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ไนดะถ้าเราตั้งใจส่วนจริงๆเป็นการระงับความคิดปรุงแต่งเพื่อให้จิตเย็นให้จิตสงบจิตสบายคุณปูดครับขณะทําสมาธิเราจะรู้ยังไงว่าจิตเราเป็นสมาธิแล้วและถ้าจะทําวิปัสสนาต่อเราต้องเริ่มต้นอย่างไรครับ อ, อ่อเวลาเป็นสมาธิจิตก็จะเนิ่งเฉยสงบสบายเยน็นสบายไม่คิดปรุงแต่ง รู้เฉยๆเวลามีปัฏนานี้เราต้องรอออกจากสมาธิก่อนแล้วก็มาคิดมาศึกษาเรื่งองอนิจจ์ทุกขังอนัตตาว่าอะไรเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาบ้างเช่นร่างกายเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาหรือเปล่าเมตนาอารมณ์ต่างๆเป็นภัพตายรักหรือเปล่าอันนี้ต้องรอออกจากสมาธิก่อนคุณอีฟครับ เวลานอนกลางวันมักจะมีอาการเหมือนผีอำเละอยากจะตื่นแต่ก็ตื่นไม่ได้และเหมือนหายใจไม่ออกต้องทำอย่างไรครับก็มันอยู่ในภาวะทำอะไรไม่ได้เวลานอนหลับ ม, มันก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามอาการต่างๆที่เกิดในช่วงที่เรานอนหลับได้เพราะเราไม่มีสติพอคุณช็อกโก้ครับ ในอดีตหนูอาจจะเคยทําผิดไม่ดีถ้าหนูรู้ทำมาหนูคงมีสติและไม่ทําในสิ่งที่ไม่ดีควรไม่คิดถึงสิ่งอดีตใช่ไหมค้าและทําดีในปัจจุบันใช่ไหมครับอาจจะคิดถึ ง, งอดีตจะคิดมาเพาื่อเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นบทเรียนสอนใจได้ว่าเราเคยทําเป็นอย่างนี้เราอย่าเราอย่าไปทำอีกนะอะไรอย่างนี้คิดได้คิดให้คิดแบบสร้างสรรค์อย่าไปคิดเพื่อสร้างความทุกข์สร้างความพุ่งสร้างขึ้นมา คุณประชาครับสีลข้อแปดห้ามนอนบนที่นอนสูงใหญ่รวมถึงที่นั่งสูงใหญ่โดยเฉพาะนั่งสมาธิด้วยไหมครับไม่ใช่นะความหมายของสูงใหญ่ก็คเตียงสารานที่นั่งสํารานรู้หลาโอ อ, อ, อ, อ, อบบ่าแบบเบาะนวมหนาหนาที่เขานั่งกันตามโรงแรมต่าง ๆ, ๆมีเบาใหญ่ๆนั่งให้นุ่มให้สบายเตียงก็ใหญ่ๆมีอันนี้คือความหมายของที่สูงที่ใหญ่ครนนี้ก็คือเป็นเตียงสําราน ที่อำนวยความสุขให้กับทางร่างกายเท้หนี้งซึ่งเราไม่ต้องการความสุขแบบนี้เพราะมันจะทำให้เราติดและจะทำให้เรานอนมากทำให้เราเสียเวลากับการที่เราจะไปปฏิบัติยังไงไม่ให้นอนหรือนั่งในที่ที่มันสำราญโออาสบายมันจะทำให้ติดสุขเหล่า น, นี้แลวจะทำให้ไปปฏิบัติยากเพราะการปฏิบัติมันจะต้องเจอกับความทุกข์ คุณจอมาถามว่าพระโสดาบันยังมีความที่เกียดไหมครับก็มีตามฐานะของคนบางคนขยันมาก ข, ขยันน้อยมันก็ยังมีอยู่คุณสลายครับพิยมมองเห็นรูปเคารพพระพุทธองค์แล้วระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณยมปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมครับการาบัศกาดด้วยความเคารพครับก็เป็นการระลึกถึง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้ไม่เลื่อนบุญคุณของท่านแล้วเราจะได้พยายามปฏิบัติตามตามคําสอนของท่านนะคุณเอกชัยครับผมเกิดมาเป็นคนพิการร่างกายไม่สมประกอบมีกลิ่นตัวเหม็นสาบมาแต่เกิดแบบนี้แสดงว่าในอดีตชาติผมเคยทําบาปกามหนักมาใช่ไหมครับผมจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรที่จะทําให้กรรมนี้เบาบางลงในภพชาตินี้ และหากในภพชาตินหน้าผมยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกผมอยากจะเกิดมามีร่างกายปกติมีกินตัวหอมเหมือนคนทั่วไปครับอ๋อทำอันนี้ก็ทาได้ขยันอาบน้ําอยู่บ่อยๆเนี่ยที่มันกลิ่นตัวมันออกมาต้อมันกังเหือยคลายใช่ไหมความรู้สึกมันเห็นแล้วก็เริ่มเช็ดถ้าอาบน้าไม่ได้ก็พ า, ามาลูบมาเช็ดให้เหงืห่อคลายมนุษย์ไปสมไยนี้ก็มีน้ำอบน้าหอมใ ห, ให้ใส่นะก็สามารถทําได้ในภพนิชาตินี้เลย โดอมันจะเป็นสายจากการทำบาปมาในอดิตชาติหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้อีกอาจจะเป็นเรื่องกรรมพันธุ์ก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องความผิดปกติทางร่างกายของเราก็ได้ซึ่งกนต้องถือว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยมาทำลายกันไม่ได้แต่เราก็สามารถบรรเทาได้ถ้าเราต้องไปพบปากกับคนแล้วก็อาหน้าท่าก่อนจะคลายไปไม่ใช่ปลแบบรู้ตัวก็ยังมีกินเหม็นอยู่ แต่ถ้าสมมูรณ์แบบแลัวถ้าล้ากลิ่นเหม็นยังไม่หายนี่ก็ช่วยไม่ได้นก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของร่างกายแวรนะที่มันจะต้องเหม็นก็ปล่นมันเหม็นไปเมื่อเขียนป้ายติดว่าผมเหม็นนะอยากเข้าใกล้นะขออภัยด้วยคุณแฮปปี้ครับเวลานั่งสมาธิแบบหลงจะมีอาการอย่างไรบ้างโยมจะได้สังเกตครับ อันแบบหองว่าคือไม่อยู่กับอารมณ์ที่เราต้องให้อยู่ไงไม่อยู่กับพุทโธไม่อยู่กับลมหายใจเขาออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยว่าหลงนะคุณสมพร้อมครับนอกจากโลกมนุษย์แล้วที่อื่นๆในจักรวาลยังมีสิ่งมีชีวิตเหมือนโลกใหม่เจ้าคะอันนี้ต้องไปถามนักวิทยาศาสตร์เราเพิ่งตอบได้ว่ามันน่าจะมีนะเพราะว่าม่นมีดวงดาวเยอะแยะที่แบบอาจจะมี สภาพเหมือนโลกของเราที่อยู่แต่ตอนนี้ถ้ามีสภาพแบบนี้ก็น่าจะมีสิ่งที่มีชีวิตมีร่างกายมีสัตว์มีมนุษย์อยู่ได้คุณกุ้งครับไม่ทราบว่าในทางพระพุทธศาสนาความฝันสา ม, มารถทำนายอนาคตได้หรือไม่ครับมันความฝันส่วนใหญ่มันเป็นผลที่เกิดจากอดีตมากกว่าแสดงผลของอดีตว่า ถ้าเราฝันดีมันก็มักจะบอกว่าอันนี้เราทําบุญมาไว้มาไว้เยอะ <c oughs> ถ้าเราฝันร้ายก็แสดงว่าเราทําบาปว้เยอะคุณนะัทพงศ์ครับเวลาผมนั่งสมาธิพอถึงจุดจุดหนึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันว่างแต่ในความว่างนั้นเหมือนลมหายใจมันละเอียดหายไปนันนะ่นหน้าอกเลยต้องออกจากสมาธิเพราะยังมีความกลัวว่าลมหายใจจะหายจริงๆว่า ง, ง่ายๆคือกลัวตายครับเจอแบบนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรต่อครับ ก็บอกว่ามึงไม่ตายหรอกถ้าตายคนนั่งสมาธิก็ตายกันไปหมดแล้วเรากลัวไปเองให้มีสติอยู่กับเรละ อ, อยู่กับ <c oughs> กับพุโทโธไปน่าไปเขาจะไม่ตายน้าประกันได้ ค, คุณสุภาครับการใส่บาตรพระตอนเช้าไม่ได้ใส่ทุกวันแต่ไม่เคยโกงใครแต่ชอบทําทานเวลาไปโรงพยาบาลชอบทําบุญกับคนยักษร้ายที่ป่วยเป็นมะเร็งจะมีบาปไหมคะจะ ที่ไม่ได้ใส่บาปทุกวันครับเพราไม่บาปหรอก้ั่นกเหมือนกันใส่บาปกระเพาก็ได้ใส่บ า, คาคดครับทําบุญกับคนยากคนจนก็ได้ <c oughs> คุณใบยกครับลูกเป็นปู้ดูชนที่ฝ่าในธรรมแต่หลังจากหลวงตาลสังขาลูกฟังหลายท่านแต่ใจลูกก็บอกว่ามาจากตําราทั้งที่ลูกไม่เคยศึกษาจากตาราจนมาฟังพระอาจารย์ใจลูกบอกว่าท่านนี่แหละทำจากการปฏิบัติลูกศรัทธาพระอาจาราย์ลมใจครับ คุณฟิโอน่าครับนั่งสมาธิทุกครั้งท่องพุโทโธพุธโทโธเหมือนจิตใจตกหลุมตกบ่อทั้งครั้งก่อนจิตใจใ จ, จะสงบลงอาการนี้เป็นแบบนี้สภาวะแบบใดเจ้าคะถ้าเป็นเรื่องเของการเข้าสมาธิของจิตเยลาจิตจะสงบเนี่ยมักจะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นตกลุมตกบ่อคุณแต้มสีครับทําไมคนบางคนถึงมีเซนส์มีลางสังหรณ์ดี เป็นที่อำนาจของสติใช่ไหมครับดิฉันคิดว่าคนนั้นเคยทําสมาธิมาเมื่อชาติก่อนๆรางสังข์ของดิฉันก็พัฒนาขึ้นตามความบ่อยในการภาวนาครับมันก็มีส่วนในการพัฒนาการของจิตในแต่ละภพแต่าะชาติมาคุณเด่นคุณครับเวลานั่งสมาธิบางครั้งเห็นแสงชัดเจนหมุนเป็น7สีบางครั้งก็สีขาวนวลแต่ทุกวันนี้เริ่มไม่เห็นเป็นเพราะอะไรครับ ก็เป็นแรื่องอนิจจมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นได้ดับได้เกิดได้ไม่เกิดก็ได้เป็นอนัตตาพิจารณามันเป็นตายรับไปเป็นอนิจจงถ้าเราไปอยากปั๊บก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาคุณเลมอนครับคุณพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงทางบ้านจ้างคนมาดูแลที่บ้านที่ผ่านมาคุณพ่อไม่ค่อยพอใจคนดูแลต้องหาเปลี่ยนให้อยู่บ่อยๆและบางครั้งคุณพ่อก็บอกว่าไม่ต้องจ้างคนแล้ว แต่ลูกๆทํางานการจึงจําเป็นต้องจ้างจะแก้ปัญหาอย่างไรไม่จ้างก็ไม่มีคนดูแลครับก็ไม่ต้องดูแลนะตามใจพ่อท่านก็ไม่ต้องการให้คนมาดูแลก็ท่านก็ดูแลตัวท่านเองไปท่านนองคุณเพนครับส่งเงินให้บิดามารดาใช้ทุกเดือนเป็นการตอบแทนช่วยเหลือหรือเป็นการทําบุญครับก็เป็นการทําบุญเป็นการทดแทนมุนคุณเป็นควารเป็นการทําบุญ เพราะความกตันอยู่กระตาวทีทีอยากจะทดแทนบุญคุกับผู้ที่มีพรบคุณกับเราก็เป็นการทําบุญชนิดเลยคุณอัญชนาครับเมื่อดูลมจะมีอาการร้อนทั้งตัวไม่ทราบว่ามาถูกทางไหมครับไม่ควรจะร้อนอนะ่ะท่าดูลมถ้าร้อนี่ก็ไม่ทราบไซส์มันขนาดเท่าไหร่าันจะเป็นเรื่ความไม่ปกติของร่างกายหรือเปล่าก็ต้องไปหาหมอดู แต่ถ้าเป็นเฉพาะเวลาที่นั่งก็คงยังไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายอาจจะเป็นเรื่องของกิเลสก็ได้เวลาเริ่มต้นดูลมใหม่ๆนี้จิตได้ยังจะต่อต้านอยู่ก็ได้กิเลสยังต่อต้านอยู่มันก็เลยทำให้เกิดทางรู้สึกในการต่อสู้กันในจิตมันก็เลยทให้เกิดความรู้สึกว่ามันร้อนขึ้นมาก็ได้อาจจะเป็นเพนราะสติเรามีกําลังน้อยสู้กิเลสไม่ได้เป็นอาการของกิเลสทําขึ้นมาก็ได้เห็นว่าเราฝึก ไห้มากขึ้นถ้าดูลมไม่ได้ก็ลองท่องพุโทโธพุโทโธไปก่อนนั่งนั่งสมาธิแบบสวดมนต์ไปก่อนนั่งสมาธิแล้วถ้าไมยากดูลมแล้วพุโทโธก็สวดมนต์ไปสวดเป็นในใจคุณมีว่าครับทำงานบริษัท ร, รับกำจัดปลวกมดมแมลงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานหน้าที่ประสานงานนัดหมายถือว่ามีส่วนร่วมในการฆ่าสัตว์ใหม่ค้ารู้สึกไม่สบายใจมันผิดสินข้อหนึ่งครับตั้งใจจะเปลี่ยนงานครับ มันก็มีส่วนะเพราะเราก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้บริษัทอยู่ได้ไบริษัทก็อยู่ได้เพราะมีคนร่วมทำงานถึงแม้จะไม่ได้ฆ่าเองก็เป็นผู้สนับสนุนในการฆ่าบาปก็อาจจะน้อยกว่าคนที่ไปฆ่าเองคุณติ๊กครับการนั่งสมาธิถ้าเรานั่งตามที่เรานั่งไหวแล้วค่อยๆเพิ่มถือว่าเราทำถูกต้องไหมครับ ก็ทําทไปตามกําลังของเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ไดคุณแม็กซิลารีครับขอวิธีในการจัดการความคิดครับก็เนเบื้องต้นก็หยุดความคิดให้เป็นตัวอ่าแล้ว hmm. หยุดได้แล้วเราก็ค่อยให้คิดไปในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อย่าไปคิดในทางที่เป็นโทษกับเราอย่างอย่าไปคิดทําบาปนีม้มันเป็นโทษกับเราให้คิดไปทําบุญ ให้ไปทำความดีแทนแต่เบื้องต้นเราต้องรู้จักหยุดหยุดให้ได้ก่อนถ้าเราหยุดไม่ได้เราไม่สามารถที่จะสั่งให้ไปคิดในทางนั้นทางนี้ได้คุณตายครับการเรียนถามโยนท่องอาการ32จิตใจควรมองตามอาการ32ไปด้วยใช่ไหมพิราตามอาการทั้งหมดทุกครั้งเลยใช่ไหมครับถ้าเรารู้ว่าการเหล่านั้นเป็นลักษณะไงก็คิดตามไปด้วยก็ได้ ถ้ายัางไม่รู้ก็คิดถึงชื่อเขาไปก่อนเรียนชื่อเขาไปก่อนแล้วต่อไปเราก็ไปดูภาพของแต่ละอาการว่าเป็นอย่างไรแล้วต่อต่อไปเวลาเราคิดถึงอาการส2สอก็มองภาพไปด้วยให้เห็นภาพในใจเราคุณรวิสีครับเวลานั่งสมาธิแล้วติดแล้วนิ่งแก่อย่างไรครับก็มันก็ดีนเนี่ยถ้ามันนิ่งเรานั่งก็ให้มันนิ่ง ไ ม, ไม่ต้องแก้เลย ถ, ถ้าไม่อยากให้มันนิ่งก็อยา่าไปนั่งนั่งสมาธินั่งสมาธิก็เพื่อให้มันนิ่งการติดความนิ่งก็ไม่ใช่เป็นเป็นเป็นเป็นภายแต่อย่างไรดีก็ไปติดความทุ่งซานคุณนาวาครับสวดมนต์ประจำวันต้องตั้งน้โม3จบในทุกครั้งที่ขึ้นบทใหม่หรือทุกครั้งที่สวดพระคาถาบทต่างๆไหมครับไม่จาเป็นหรอ คุณสาวิตครับนั่งกรรมฐานและอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรได้บุญไหมครับไม่รู้เหมือนกันนราะว่าเราได้บุญหรือยังจากการนั่งกรรมฐานของเราคุณสลาวุธครับผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมความหมายคืออะไรครับก็ความหมายก็คือนั่นแหละทุกก็เป็นธรรมอย่างหนึง่งธรรมก็มีหลากหลายด้วยกันสุข ก, ก็เป็นธรรมอย่างหนึง่งเห็นทุ ก, ก็เป็นธรรม คุณวันดีครับคนในครอบครัวอยากเลี้ยงนกในกรงแต่เราไม่อยากเลี้ยงเพราะรู้ว่ามันบาปในการกักขังแต่เราต้องเป็นคนซื้อมาให้ด้วยความจําเป็นอย่างนี้บาปไหมครับถ้าเราเราก็ไปจับเข้ามาขังด้วยถ้าเราไม่ไปซื้อก็เขา้ามาเังเขาก็มาถูกขังไม่ได้ถ้าก็ถ้าไม่อยากจะเป็นบาปก็อย่าไปซื้อให้เขาคนที่อยากจะเลี้ยงให้เขาไปซื้อของเขาไว้เองไม่อยากไปเกี่ยวข้องด้วยนะก็แล้วกัวน คุณอกก้าวครับเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าเพียงมีใจร่วมบริจาคไปจนถึงทําเรื่องบริจาคร่างกายแล้วยังไม่เกิดบุญกุศลจนกว่าร่างกายจะตายแล้วร่างไปเป็นอาจารย์ใหญ่ถึงจะได้บุญเป็นเช่นนั้นหรือคะก็ไม่ได้บุญอยู่ดีเพราะเราไม่ดู้รรมทานได้ว่าร่างกายเราได้รับการบริจาคอย่างตามเจตนาของเราหรือไม่แต่ถ้าบาจาคตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นเราบริจาคเลือดนี้เรารู้แล้วว่าออกเราเสียเลือดไปหนึ่งลิตรแล้วอย่างเงี้ยเรารู้แล้ว เราได้บุญกับความสรงใจว่าเรื่องของเราจะได้ไปทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไปแต่เวลาเราตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าร่างกายของเราจะไปเขาจะไปทําอะไรอย่างไรเราไม่มันไม่ อ, อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราแล้วเราอะไรไม่ได้บุญคุณอับศรครับเมื่อวันที่สิบห้าที่ผ่านมานอนภาวนาแล้วอยู่ๆมองเห็นตัวเองพองขึ้นพองขึ้นใหญ่ขึ้นแต่มองตัวเองแล้วไม่รู้สึกกลัว จะให้ทําจิตยังไงดีครับเพราะเห็นไม่ได้ฝันขอความเมตตาด้วยครับก็เฉยๆไปให้กลับมาอยู่กับการภาวนาของเราต่อไปดูลมก็กลับมาดูลมพุทโธก็กลับมาพุทโธต่อไปเท่านั้นเองสถานการต่างๆเนี๋ยมันก็เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเองคุณมะลิครับ การที่ได้เจอกับพระอาจารย์ได้ฟังพระอาจารย์เทศนาอันนี้ใช่ความบังเอิญหรือเปล่าคะหรือคนเราทุกคนที่ได้มาเจอกันหรือได้มาทําอะไรร่วมกันคือความบังเอิญหรือเปล่าครับมันไม่บังเอิญมันมีเหตุคุณอยากจะฟังทำแล้วเราก็อยากจะมาแสดงทำแล้วก็พอรู้เวลาก็มาเจอกันแค่นั้นเองมันก็ไม่ใช่เป็นการบังเอิญไม่เป็นการวางแผนแล้วนอกจากว่าอยู่ดีๆคุณเปิด youtube ขึ้นมาแล้วมาเจอช่องนี้เข้าโดยที่ไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจ อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการบังเอิญก็ได้แล้วมันก็ไม่เป็นการบังเอิญเนนะี่ยเพราะมันเป็นการกระทําของคนถ้าคนไม่เปิด youtube คนก็ยังไม่เจออย่งเรื่องของการบังเอิญนี่เป็นการพูดหมายควาวหมายว่ามาันมันเจอกันโดยไม่ได้ได้ตัดหมายกันมาลดก่อนอย่างนี้ก็ได้แล้วมันเกิดจากการกระทําของเราอุณัยขบพีนครับการนั่งภาวนาติดต่อกันหลายวันทําเพื่ออะไรครับ ก็เมือนรักษาร่างกายเวลาเราไม่สบายก็ต้องกินยาไปเรื่อยๆจังบ่าโรคภายแค่จะจ่ายการภาวนานก็เพื่อรักษาโลกจิตของเราจิตที่เราฟุ้งซ่านวุ่นวายใจให้มันหายฟุ้งซ่านหายวุ่นวายหายทุกข์กับเรื่องราวต่างๆการภาวนานก็เป็นการรับประทานยารักษาใจนี่เองคุณนายครับบางวันดื่มเหล้าแล้วกลับมาบ้านสวดมนต์บาปมาเลยได้บุญกุศลบ้างไหมครับ ก็ไม่รู้มันถ้ามันเมาแล้วมันจะไปสวดมนต์ได้เหรือถ้าถ้ายังไม่เมาพอสวดได้ก็มันก็มันก็าจะได้บ้างแต่มันฝืนกันอ่ะเพราะว่าการสวดมนต์ก็เพื่อให้มีสติส่วนการกินเหล้าก็เพื่อไม่ให้มันมีสติมันก็เลยสูนทางกันเยกินเหล้าเพื่อไม่ให้มีสติพอมาสวดมนต์เพราะอนึงสติกลับมาก็อย่าไปกินมันไม่ดีกว่าน ทำเร่งกินทำเรื่องกินแล้วต่อครับบอกว่าทำอย่างไรจะรักษาศีลได้บริบูรณ์โดยเฉพาะข้อห้ายังต้องพบปะคนในสังคมอยู่ครับก็ไปคบกับคนที่เ็ไม่ดื่มชโราดิถ้าคนที่ดื่มชโราเราก็อย่าไปคบกับเขาไม่ใช่คนทุกคนในสังคมต้องดื่มชตรากันทุกคนที่ไห น, นคุณจอมานครับการพิจารณาอาสุภะต้องพิจารณาต่อเนื่องหรือไม่ครับ คือการพิจารณาสุภาพนีมนมน้มันมีการทำสองรูปแบบหรือสองขั้นตอนขั้นตอนแรกศึกษาเพื่อให้เรียนรู้เพื่อจดจําอันนี้เราต้องพยายามเรียนรู้ให้มันจดจําให้มันฝังอยู่ในใจเราเพอยให้ร่างกา ย, ายของใครก็เห็นอาการต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังอันนี้เรียกว่าเป็นการทําการบ้านเพื่อเพื่อเพื่อเอาไปใช้ในการทําข้อสอบการทําข้อสอบก็คือรอเวลาที่เราเกิดการอารมณ์ขึ้นมา เราต้องการารังงับการมันลมนั้นเราก็ต้องให้นึกถึงอสุภะที่เราได้ศึกษาได้จดจํามาถ้ามันโผล่ขึ้นมามันก็จะระงับการมันลมได้คุณมารีรัตครับตั้งแต่โยมฝึกปฏิบัติโยมเคยรู้สึกเหมือนที่อะไรหมุนรอบตัวบางครั้งก็เหมือนมีมุงกลมๆหมุนรอบตัวแต่ปัจจุบันนั่งสัปหารู้สึกนิ่งมาก สมองไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรเลยป้าจาย์ไม่ตาครับปฏิบัติของโยมถูกต้องไหมครับแล้วร้องการปฏิบัติให้มันนินะ่งถ้ามันถ้ามันนิ่งก็ไปถูกทางนะถ้ามันมีอะไรต่างๆก็แสดงว่าสติเราไม่ไม่มั่นคงพล้วสติมันเกิดอาการต่างๆขึ้นมารียบกลับมาหาสติทันทีแล้วอาการต่างๆก็จะหายไปคุณสมพร้อมครับ ขอทานขอทุกๆุกวันจนล่ํารวยเขาบอกแต่เขาก็บอกขอทานไปเรื่อยๆทั้งที่รวยแล้วการทําแบบนี้เขาบาปหรือไม่เป็นการหลอกคนให้ทานว่าเขายังยากจนบาปหรือไม่ครับแล้วก็มีเจตนานที่จะหลอกมันก็เป็นการหลอกลวงคุณเที่ยวไปเรื่อยบอกว่าคาถาเยธรรมาที่แปลว่าเกิดที่เหตุดับที่เหตุก็เหมือนกับดับที่ความอยากของพระอาจ า, ารย์ใช่ไหมครับ ใช่เหตุหทำให้เกิดผลต่างๆถ้าต้องการให้ผลต่างๆไม่เกิดเราก็ต้องดับไปดับที่เหตุเช่นทุกข์ทุกข์กเกิดเพราะความอยากถ้าไม่ต้องการให้ทุกข์เกิดก็ต้องไปหยุดความอยากคุณพานุเดชครับหากเรารวบรวมเอาบุญที่เคยทำมาแล้วนํามาโมทนาอยู่บ่อยๆจะยังมีอันได้ส่เพิ่มมากขึ้นอีกไหมครับไม่หรอกทาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าอยากจะมีมากขึ้นก็ต้องทาเพิ่มมากขึ้นไป คุณสุรชัยครับบุญที่ได้ช่วยพ่อแม่ผู้มีบุญคุณให้กลับมามีชีวิตจะทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างครับทำให้เรามีความสุขใจมากขึ้นนะคุณมาลิกาครับการเลือกทาบุญที่เป็นค่าใช้จ่ายหักภาษีได้นี่ถือเป็นกิเลสไหมครับก็ไม่ได้ทาบุญเหมือนว่าเราทำบุญน้อยบาทแล้วก็ไปหักภาษีเอากันร้อยบาทกลับมาแล้วถ้าเราไม่ได้ทาบุญให้รัฐบาล ท, ทาแทนเรา เราเพียงจะทําให้รัฐบาลรัฐบาลเป็นคนทําเพราะเงินมันของรัฐบาลไม่ใช่เงินของเร า, าเราอยากจะได้บุญมันต้องเป็นเงินของเราทําแล้วเราก็ไม่ไปเอาเงินของรัฐบาลมาเมืากคืนเราคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับคุณกิตติกมลครับการนั่งสมาธิกลางคืนดีกว่ากลางวันไหมครับก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมแหละ ส่วนใหญ่มันจะดีกว่าเพราะามันสงบมันเงียบกว่าแต่ก็แล้วแต่ว่าเวลาไหนบางเวลาตอนคืนมันเนี๋ยนี้ก็มีมีอะไรกระเท็อกก็ขมก็เยอะอยู่ถ้าตั้งสมาธิจะได้ผลมีไม่ดีส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สถานที่ที่เราไปนั่งว่ามันสงบหรือไม่สงบกายวิเวงหรือไม่ถ้ากายไม่วิเวงจิตก็จะวิเวงไม่ได้ก็ต้องหาเวลาหาสถานที่ที่มันสงบ นั่งเวลานั้นจะได้ผลดีกว่าขอาโอกาสการพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังทำด้วยการอยู่ในเ c e b o o k 931คนใน y o u t u ู e 655คนครับในครับ House 9คนรวมกัน 1,595 คนนะครัระอาจารย์ก็อย่างเยอะอยู่นะก็ขอเช่นชมยินดีกับความสนใจฝ่ายบุญฝ่ายกุศลฝ่ายธรรมทุกท่าน มว่าความฝ่ายบุญฝ่ายกุศลนี้จะแด้นำท่านได้ไปสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทางปูมต่อไปการสุนาธรรมสำหรับเกินนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนอามาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังได้ศึกษาให้นำออกไปเพนิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมนี้ขึ้นไปเถอ สาธุคิดว่าพอสมควรก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังและคุณหมอไว้เพียงท่านนี้แล้วก็ถ้าโอกาสหน้าที่หน้าถ้าไม่มีเหตุกัดข้นก็คงจะได้พบกันอีกอีกครั้งหนึ่งขอจเจริญพรสาธับขอบคุณพอาจารย์ครับ